ที่เราเรามาตันอยู่เรื่องนี้ที่เราคงจะได้ความเข้าเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องถ้ะทําคคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากที่สุแต่สามารถที่จะนำมาไปปฏิบัตให้เกิดประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราได้ ถ้าาได้ ป, ไดประโยน์มก็ไม่เสียเวลาถ่าคือว่าสาวปีที่ผ่านมาใ น, นที่เรียกวรามีความทุกน้อยลงมีความว่ายน้อยลงมีความหลงน้อยลงมีความยาความต้องการต่างๆน้อยลงมีความสุขสบายใจมากขึ้นก็แสดงว่าเราไปถึงกาเพราะว่า ที่รัก อ, องเราไม่ความตื่นไ ม, ไม่ไม่ต้องการอะไรจากภายนอกเลยสิ่งต่างๆภายนอกไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงกับเราถ้าเราเรายางต้องการในสิ่งต่างๆเยไม่ว่าจะเป็นวัตถุไม่เป็นบุคคลก็สแสดงว่าเรายัางยังหลงทางยังไม่เข้าใจถึง ความสุขที dar, ่แท้จริงว่าอยู่ที่ไหนในคิดว่าความสุขอยู่ที่ทานได้ได้ทานยาที่ดีได้ตาแหน่งที่ดีได้สิ่งต่างๆที่ดีแต่ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ดีจริๆเพราะถ้าสิ่งทุกอย่างในโลนี้ล้วนมีสิ่งที่ไม่ดีติดมาด้วยขายงาด้วย เพราะโดยธรรมชาติของสิ่งต่างๆนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงจะไม่องเส้นคงวาไม่ดีเสมอไปมีขึ้นมีลงมีเจลาญมีเสื่อมไปและเฉพาะโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นตัวที่ไปรับ พอสิ่งต่างๆมาแล้วก็เป็นตัวที่มีการเสื่อมไปเช่นเดียวกันก็คือร่างกายของเราถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็จะไม่สามารถที่จะไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราได้ดังน้เราต้องมีตามีหูมีจมูกมีลิมีกายเพื่อที่จะได้มองได้ดูได้ฟัง ได้รวมเปล่ยนได้ลิ้มรสได้สัมผัสเป็นต่างๆถ้าร่างกายนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรและสิ่งต่างๆที่เราได้มาโดยผ่านทางร่างกายมันก็ไม่สะมันก็ไม่ถาวรคนเดียวกันหรือว่าถ้าร่างกายของเราสมมติว่ามันถาวรแต่สิ่งต่างๆที่เราได้มาผ่านทาง อายตนะทั้งห้านี้มันก็ไม่ขาวอ่อนทุกสิ่อย่างมีการเจริญมีการเปล่ยมีตารเปลี่ยนใจอยู่เรื่อยๆเพราะความได้แน่นอนของสิ่งต่างๆ ม, มันก็ภาวะที่ทําให้ความสุขนั้นเปลี่ยนไปด้วย <S <S เป็นได้ที่เราชอบอยู่ในสภาพหนึ่งเมื่อเปลี่ยนไปจในสภาพหนึ่ง ม, ม, มันก็ไม่ถันก็ไม่สุเหมือนเดิมมันก็กลายเป็ความทุกข์ขึ้นดังนั้นถ้าเรามองด้วยปัญญาเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรในนู้นี้ที่ดีจริงๆที่ให้ความสุขกับเราดีจริงๆคือให้ความสุขกัขขบเราตลรด เลือให้ความสุขอย่างเดียวทุกสิ่งอย่างนั้นนจะมีความทุกข์มีความกัยใจมีความยืดหยุ่นใจมีความเสีย อ, อกเสียใจตามมาด้วยทวามใจของเรานั้นเพื่อได้อะไรชอบอะไรก็จะยึดติดกับสิ่งที่เราได้มา และอยาจะให้มันเป็นเหมือนที่เคยเป็นตอนที่เราได้มาเงินใหม่แต่เมืนอได้เป็นนั้นเสร็จที่เราได้มาแล้วมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปและความรู้สึกที่เราเมินต่อเิ่นที่เราได้มาก็เปลี่ยนไปด้วยเวลาเราได้เรามามหม่ๆเราจะรู้สึกในความทุกข์ใจในความมืดมิด แต่พอเราเห็นเราไม่สัมผันอยู่บ่อยๆจนจยความจงเกิดความทิมชาขึ้นมาความรู้สึที่ที่ชอบดีๆนั้นมันก็มันก็จางหายไปยังไเป็นได้ อ, อย่างเมื่อว่าสิที่สิงที่เราไปดูปดีมันก็เปลี่ยนแปลงใจของเราที่ดีๆกับสิ่งที่เปลี่ยนต่างๆมันก็เปลี่ยนไป ตงความสุขตนางที่เกิดจากาใน้สัมัสได้ยินดีกับสินต่างๆมันก็มันก็มนกจางหายไปแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังมีความทุกข์ทนมีความหวงแหนสิ่งที่เราได้มาเราก็ยังไม่อยากที่จะให้มันจางหายไปแลวถ้าเกิดมันจากหาไปเราต้องจ่ายเดินไป แล้วก็จะเกิดความเียใจเกิดความทุกค์้นาังนั้นพะเจ้าเปงต อ, ตอนให้เราเห็นว่าทีกสิงอย่างไม่ใช่เป็นความทุกข์้นาจริงมว่ามันเป็นความทุกข์เพาะมันมีการเกิดจากอยู่ก็เลาแมันไม่ใช่เป็นของเรา ดูตัวเราร่างกายนี้พวกเราทุกคนจะคิดว่าเป็นตัวเราต่ความจริงก่อนที่พ่อแม่เราจะมาเจอกันมาทำให้เราเกิดออกมาได้นี้เราอยู่ตรงไหนก็นเป็นตัวเราเราก็ต้องมีอยู่ตลอดเวลาต้องมีตั้งแต่ก่อนที่จะมีพ่อแม่เราเห็นได้ก่อนไปแต่ตัวเราเรา คือร่างกายของเราเราปรากฏขึ้นจากนืพ่อแม่ของเราได้ใ น, นรูปร่วมกันและไมีมีทางผสมกันก็จงปรากฏเป็นร่างของเราขึ้นมาในท้งเงินงงแล้วก็เพียน่าในทองเง่นแล้วเรืตนี้ก็มีเพีสองส่วนกันคือส่วนของพ่อครับส่วนของแม่ ส่วนตัวที่เราเป็นตัวราเนี้คือไก่ไ่เรานี้ตอนนั้นก็เป็นดวงวิญาณที่หาหาล่างอยู่หาล่างไว้ครอบครองเรื่องวอยยนิสุท์ของดวงที่เราเคยทำไว้เราก็ได้มารับหน้านี้จากพ้อจากแม่ของเราเปกิกรร็วามปฏิสังข์ เกี่การเจริญเติบโตของขอ ง, ของร่างกายนี้ในครองนี้กเจริญอยู่เก้าเดือนก็คลอดออกมาแล้คลอดออกมาพ อ, อเราเริ่มรู้สึกตัวตนเต็มที่มาแล้วเริ่รู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมาเลยไหแต่ว่ามันระยะเวลานี่มัน มันหลับไปเหมือนกั <Breakfast. S 2> ที่เราหลับเวลาเรานอนหลับนันเราจะไรับรู้เกี่ยวกับร่างกายของเราเราจะรู้สึงความเงื่อนเหตุการณ์ต่างๆที่ประกอบในขณะที่เราหลับแี่เราฟังว่าเราไปเจอสิ่งนั้นเจอสิ่งนี้ไปทําสิ่งนั้นไปทําสิ่งนี้แต่ตอนนั้นเรื่องของร่างกายนี้ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เราฟังไปตอนนั้นมันก็เป็นเรื่องของ ติดใจใเรื่องของดวงวิญญาณโดยลำพังฉะนั้นม่างกายก็นอนอยู่ที่เกียแต่พอเสร็จขึ้นมาต้องติดใจก็กลับม า, มาเหมือนกับมากลงมาเข้าร่างกลับมารับรู้กับความความเป็น การร่างกหรือว่าอ๋อตําเราพอนอนอยู่อยู่ที่ไหนที่ไหนเราเป็นไทซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นสมมุติธรรมเราเป็นหญิงเาเป็นชายเราจะเลือกของคุณพอคุณแ่คนนั้นคนนี้ในที่ว่าอย่างนั้นี่วอ่านถ้าเราตัทีวมาแล้วเราก็ไปทกิจกรรมนในต่างๆนี่แหละทอย่างนี้นปนนไ ป, ท, ท, ท, ไปทุกวันทุกวัน ความท้งุญแลทำามทั้งบาปทตั้งไม่ใช่ดีและไม่ใช่บาถ้าทำบุก็เป็นเกับกส่งเสริมพัฒนาจิตใจให้ความสุขใความเจริญมากขึ้นถ้าทำบาก็มืัการทาให้จิตใจเสื่อมให้ความมากขึ้นแล้วพอเราตายไป ก็เหมือนกะการหลับของเรากหลับแารหลักแบบไม่ตื่นพอตื่นคือก็ไม่ใช่ร่างกายแล้วแต่เป็นร่างของทางรับสมมติที่ค้อดออกมาจาท้องแน่ของคนหนึ่งที่หน้าทำงานอาจจะเป็นมนุษย์ก็ไอาจจะเป็นนกอาจะเป็นสัอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครเพราะนั้นเราริ่รับสมมติอันใหม่ขึ้นม อาจจะเป็นมนุษย์นนษ ใ, หาาใหม่าหมอาจจะเป็นเพ่ชาติใหม่คนาตใหม่อาจจะเป็นาอาจจะข้อหลังไปอาจจะเป็นแขกไปอาจจะเป็นอะไาาารก็ได้งน่นอนเรื่องของดินของกรรมที่เราปฏิบัตงให้ดวงวิญ ญ, ญาณหรือดวงจิตดนงใจของเราใน้วามสุความหมายการอร นี่คือการไปเรื่อยๆของใจเราเพราะยังมีความหลงฝักในอยู่ทางหลงฝักใยให้ใจยังมีความอยากมีความต้องการที่จะสักกะมผัสจบนิ้กับตามมงคลขั้นห้ายอยู่เรูปเสียงเปีป่ยนวัสดุับงพระฉันต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ในขณะที่ไม่มีร่างกายที่ความที่เราหายหลับไปก็ยังมีความต้องการในรูปสืเป็นยวกภาอีกแต่ตอนนั้นก็จะเป็นรูปื่เกี่ยวกับโาที่เป็นเป็นคิดเป็นรูปเป็นยึดเสียนรูปคิดเขียนคิดถึงความที่เราฝันไปตอนนี้เราจะคสามัสกัพวกที่เป็นของคิดเท่านั้นเราวได้ไปรับประทานอาหารที่ร้านั้นได้ไป มีความสุดกำเรืงนั้นกับเรื่งนี้กับคนนั้นกับคนนี้ตอนนั้นเราไม่ได้ใช้ร่างกายตอนนั้นกายลอยไปได้วยจินตนาการของใจงาไปาทได้เราได้ไปครอกับเร่งนั้นเรือนี้มีความสุดกำเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้มีความสุขกบเรื่องนั้ น, นเรื่องนี้นน ก็ใออจ ย, ยังมีความยินดีก็รืการรักษครับมีความยินดีในการอในขณะที่หลับเขยันันเรื่องอางนี้การการทานี้ก็จะเป็นที่อัดรให้บวจิงใจได้นม อ, อย่างนี้หลังจากที่น่างกายในปัจจุบันนี้รวมกัลแล้วไปหาญา ในขณะที่ยังไม่ได้ร่างกายอย่างนี้ก็อาจจะอยู่ในสภาพของการทิพย์ไปก่อเป็นการทิพย์ที่มีความสุขมากก็เป็นพวกเทศถ้ากายทิพที่มีความทึกมากกว่าความสุดก็เป็นพวกเดืดทวกทุ ก, กนรกมกันนี่เป็นเรื่องของจิตใจของเราคือเรอาจาย่างในขณะที่ยังม่ได้ร่างกายอยู่ เราเรียกว่ารวมเย็นยาเรื่องออกเรื่องเรื่อนร่างกายนี้เราียกว่าเป็นเพล่ข้ามีความเจ็บเราเรียกวาเป็นเพลรารียกว่ามีแต่ความเจ็บควากระหาย้าเราเรียกว่าโรคก็แปลว่ามีแต่คามทุกรุ่นร้อนเขาผางติดใจ ด้วยความเกิดด้วยความเกลียดด้วยความแท้รด้วย ค, ว า, มวยความอาฆาตพะเาะกัเป็นการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของสภาพจาิตใจของเราอยู่เรื่เป็นอยนี้ไปยเรื่อถ้าตามดาว ย, ยังไม่ได้รับการชำระความหลที่เป็นต้นเหตุที่ขลักดันให้จิตใจต้องไปทำบาปทำบุญไปแสวงหาความสุข ต่างๆจะเป็นานกใหเราได้มาพบกับพระุทธศาสนาที่เวลาสอนให้เราเห็นว่าความจบสุดทแ ท, ท้ินั้นไม่ได้อยู่กสงต่างๆภายนอกไม่ได้อยู่กับรูปถึงสิ่นั้นของสัตว์ไม่ได้อยู่กับัตถุข้าวของในท้ง อ, งงนองไม่ได้อยู่กับบุคคลนะั้นกับบุคคลนะี้แต่อยูในใจของเรา มีในใจที่เกิดจากการทําความดีมีในใจที่เกิดจากการละมามีในใจที่เกิดจากการทละความรู้ความคงความหลให้บมดไปเพราะถ้าได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้วการจะมีความสุขมากขึ้นมีความทุกน้อยลงเส็จแล้วหมดอย่างสิ้สุดการทําความดีและการละบาเนี้ก็เป็น ผลที่ออกมาจากปัญญาคือความเห็นที่ถูกต้องเมื่อสำนึกถึงหรืว่าการทารําความดีเท่านั้นการา ร, รู้ธรรมะเท่านั้นที่จะทําให้เรามีความสุขทำให้เรามีความดังนั้นเราจึงต้องสร้างปัญญาให้ได้เพราะถ้าเราทํา มาทำเพื่อทําตามเพื่อพยายามทําความดีมมมมมมมมนั้นพยายามละบาปแต่ถ้าเรายังงง่ายๆสร้างสัญญาเพื่อคําจัดความหลงนี้พอเราลายจากท่านนี้ไปเราก็อาจจะดิ่มไปก็ได้เดิ่ของการทําความดีละบาปจะเกิดเมื่อถ้าเราอยู่ในสังคมที่เขามีแต่การ ท, ทําบาปไม่ทําความดีกันเร า, าก็อาจจะทำตามเขาไปได้ พอเราถูกเหตุผลของสังคมทับเตือนไปแต่ถ้าเราได้เริมสร้างสติปัญญาขึ้นมาถ้าเห็นว่าการตุที่เราต้องทำความวาดีเนะการเหตุที่เราไม่ทำบาปเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเหตุที่จะทำให้มีความสุขนม่มีความทุกขแล้วก็ไม่มีความทุกข์และ ก, ก็เป็นเหตุที่ เราไม่ต้องไปหาความสุขกภายนอกถ้าเรามีความอย่างนั้นมันมันจะหลังให้เราออกไปหาความสุขจากภายนอกเมื่อเราออกต้องการความสุขจากภายนอกมากเราก็จะทำความดีได้ยากเราจะทําความเชื่อความบาปได้ยากแต่เราต้องให้เกิดปัญญาขึ้นมาว่าอยากกระชังหาความสุขจากภายนอก จหาความสุขเนกาต่อใหคบุคต่างๆให้เราควาหาความสุขภายในใจของเรด้วยการทํนใจของเราให้สงบเมต่อใจของเราสงบมันก็จเรางับความหลงที่จะพยาาให้เกิดความร่วมความต้องการเาและเมืเราไม่ยึด่อความต้องการ เรา ไ, ไ็จไเกิดความโกรธแต่วความโกนี่มักจะเกิดเพราะเมือ่อเราไม่ได้อะไรตามที่เราบาดเจ็บเวลาเราอยากได้อะไรแล้วเกิดมีผู้อื่นมาขัดขวางเราก็จะเกิดคนที่เขาขับความเรังนั้นารเล่าของปัญหาที่เกินที่คำเหมือนทั้งหมดเราต้องพิจารณา เมื่เห็นความสุขที่แท้จริงว่าอยู่ตรงไหนแต่เห็นว่ า, าคามสุขอยู่ภายอกอยู่กับสคนต่างๆอยู่กับเรื่องต่อางๆอยู่อะไรต่างๆภายนอกเราเองเล่นกันตามไปตลอดเวลาหนังสือไปไหนสัมมาไหนจะนันนนกว่อน้อยถึงไหนแล้ยเราก็ไปหาความสุขตรนี้น แต่เราที่สามปีก็ไม่รับงานอย่างนี้เราก็อยู่อยนี้เราก็มีความสุขได้เหมือนกันเราต้อเพยายามแล้วกันคปัญญาเราเียาทาความหลงความโลของเราความโลของเรามันฉลาดว่าปัญญาของพระพุทธเจ้ามันเป็มดใช้หนามหน้าหาทาง ที่เราจะเข้าว่าบ่อเรากับเข้าว่าน้อยไปเที่ยวบ่อยเพงั้นที่เรามาเข้าหาพหาระพุทธศาสนาข้อหลักที่อยู่ตรงนี้เองคือให้เกิดัมาทิสฐิให้เกิด ค, ความถึงคิดถึงว่าความปที่แท้จรี้ต้องหาภายในใจีัไปหา จะเกิดต่างๆหลานอดก็ที่ต่างๆหลายยอดนี้ยังไม่ได้เป็นความสุกข์ที่แท้จริงนี่มีความทุกที่เราทุกข์ตอนนี้วายตอนนี้วันนี้ก็เพราะเกิดต่างๆหลยอดนี้นร่างกายนี้จะเป็นต้นเหตุของความทุกข์พอนีร่างกายแล้วก็ต้องดูแลรักษาต้องทุกข์ต้องวานกลัวต้องกังวลกับความเป็นไ์ของร่างกาย มีทุกกองหนึ่งแล้วยังไม่พ อ, อไปหาทุกขั้นขึ้นมาเนี่นะฮะคู่กองมาเป็นกองทุกอีกกอนงแล้วก็ยังไปหาลูกตามมาเป็นกองทุกตามมาอีกทุกทั้งนั้นอ่ะเราทิ่จะละเลยกปัญญาเนี่มันมีจตกความทุกข์ความที่อยู่คนเดนว่าบคนที่มีคู่กองเนี่ยมีความทุกข์ชั่งน้าหนักเวราะใครจะทุกข์มากกว่ากัน แล้วก็มีอะไรเพิ่ขึ้นมาก็จะมีความทุกข์กัดเป็นการต่งมีเงมากก็ทุกมากก็ต้องดูแลรักษาแล้วก็ต้องคอยหาเลยอยู่เร่อยๆแล้วก็ต้องเสียวเวลาไปใช้มนันใช้กลับมาแล้วก็เหนเื่อยเหนื่อยเ่ยละก่อนจะไปก็ต้องดรื่กับกไรก็เตรียมตัวเตรียมข้าวเตรียมของเตรียตัว ทำหนังสือเงินทางทำอะไรอย่างต่างรื่นวาเลยแล้วพอไปเสร็จกลัมาแล้วสิ่งที่ได้ไปเขาผัดจะเห็นวงประจาหาไม่เื่อยเลยเหนี่ยเก็นอยู่ทางใจเนื่อยู่แต่ความอยากไปนี่มันเป็นยังนงอ่ะความหลงมันจะละถ้าท้าความหลงละมันหลอกให้เราไปอยากแล้วมันจะเป็นอย่างนี้มันค่จะวนอย่างนี้เี๋ยวเราวัดกลับหลง เมือาววั น, น, น, น, นันทร์วัหยุดในตามมาครบเรื่องเสร็จพวกเราติดลูกเต็มเต็มรถษษษษกับ๊กตาต้องจะวเนหเุดนื่องการแสวงหาลูลษษษาเต็มเป็นรถตุกตุ๊กามาเตรมาสั่งทมาให้ความสเพราะ้าอยู่บ้านเฉยๆงันเดื่อนเห็นภาพทำภาพทำเกมมันเดือหนา่าต้องไปตัง้งแต่ภาพแปลกๆใหม่อยไม่เร พอกระชวยนี่ไปเที่ยวทไนรเหมนจะเหมือนฟ้าได้งานขึ <c oughs> ้นนะกระชุ่มกระชวยขึ้นมาดี ๆ, ๆถ้ากระชวยเข้าวัานี้เอาคิดงลายมเลยไม่รูจะไปทำไรถ้าไปก็ต้องมีกิจกรรมมีงานอะไรทีจะไปงานมีงานคุศส ม, มีอะไรต่างๆที่ท แต่ได้จะนั่งหลักตาให้จะนั่งภาวนาเนี่ยเราไม่ค่อยอยากจะไปไต้องไปหาความสุขภายานใจกลับไปไม่ได้เพราะว่าไม่ถนัดถนัดแต่หาความสุขจากภายนอกกะดาที่เราต้องทํางานที่ไม่ถนัดมันจะรู้สึกไม่สบายมันจะรู้สึกก่าลำบากยากเ ย, ยน เราไมีมีางสืบเหมือกับทำในสิ oh. ่งที่เราถนัดในเรื่องชเราจะต้องเขียนถ้าเรไม่เขยนเราจะไม่มีทางที่จะไปเจอความสุขที่แท้จเราต้องมีการกาหนดเราต้องเขียนฐานที่ใดแล้วถึงเราจะเข้าวัดสุขัน เระมากน้อยเกินเราจะดม่ากน้อยเกินไปงที่เราได้มนี่ยเราจะแบ่งเอาไว้ทำดื่มากน้อยเกินไปกำหนดตัวเองให้แเป็นให้แรงเต็มสมกลบให้เราเดินแล้วก็พยายามให้มันให้มันมากขึ้นไปเรให้มันเข้ามาทานี้ให้มากขึ้น ถห้มันออกไปทางทางโลกใครน้ อ, อยหนึ่นไงไปเนเ้จนเข้ามาหมดตัวเลยทางโลกไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกันเลยไปอยู่วัดก็หล่อไปอยู่วัดในฐานนั้บวชก่อหัวก็ไม่ม่โกหัวก็ไม่ไม่สำคัญเพราะนั่งเป็นเพียงรูปธรรมเป็นแบบ เป็น่างเป็นเครื่องแบบกั น, นั้นเองการการเข้าวัดทุกท่านคุณต้องเข้าด้วยา ก, ก, การที่อทุ่มเทให้กับกายหาความ ส, สงบภายในใหาปัญญาเพื่อที่จะมาทำลายความหลนที่จะคอยหลอกล่อให้ไปหาความสุขภายในถ้าเราไม่กำลัด เราไม่มีเขาเรียกยยว่าเหมือนกับนกเวลาปีนนกประการก็จะต้องมีกำหนดนะคว่าตัวนี้จะต้องใช้อะไรบ้างคันอะไรอย่างก็ต้องมีการวางแผนของชีงวิตเราตัวเราจะต้องทำอะไรบ้างอย่างสมัยที่เร า, าเคยกคตุลาเคยเราต้องด้ น, นั่งใส่ตาอ่านใจ นั่งไปแล้วจะเห็นว่ามันดีจะอยากจะนั่งมากขึ้นไปแต่พอกีต้ Yours, G, นนั้นยังทำงานอยู่ก็เลตัดสินใจว่าเดือนหนก็ดินใกล้ขึ้นจริงกันหนึ่เดนเดือนนก็ใกล้จริงกันห่งแ่ว่าทำแล้วก็พอถึงวนที่สามสี่ทำานจะขอลาออกกันหนึงอีกไม่ทำแล้วจะขอใช้เวลาถึทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงาน ไ ม, ไม่ทาอย่างอื่ น, น, น, ไไนรนนันรนนนนนกษาหนัมงมรรือเดียวในก่อนที่จะเกิดจากเครื่อเราจะเียนรักษาหน้งรักาหน้เดียวแล้วตลอดวันก็จะเดินจงกรมนั่สมิการนิสิตธรรมเป็นตัวอย่านให้ออกไปับความสุขจากสต่างๆรายนกในกับวมที่เราไม่เคยปฏิบ ทำงานที่นั่ น, นเป็นหลักพอเปลเท้าขึ้นมาปักก็จะหอนจากบ้านนะครับไปแล้วชายทะเลเราไปที่ไหนเราไปของได้ไปทำงานในหลงได้ไปแล้วเราจะขออยู่าวนาปฏิบัติอยู่ในบ้า น, นถ้าไปข้างนอกก็จะไปหาที่เงินสนที่เรียกเปลี่ยนบรรยากาศบ้างบางทีก็ไปหาเงินสนแ้วช า, ายทะเลบางนบางทีก็ไปนอน ทางที่เกมามนั้นแล้วกภาวนาเพื่อพิจารณาว่าจะทำหรืทไมทำเราต้องมีเราต้องมีเป้หาหมายมีการกำานดการไว้สตินี้เราเคยปฏิบัติได้สิบปเซ็นของเวลาตีหน้าเราจะขอเพิ่มเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นตเคยเข้ า, าวันเพียงแค่ สองสามครั้ ง, งตอบืก็จะขอเพิ่มเป็นเดือนละครอะไรนี้นและัะมีกำหนดการกยาวไปยาวประดับตางให้ได้คําัให้ได้ตามที่เรากำหนดไว้ถ้าไม่กำหนดแล้วปล่อยให้ปล่อยทางควา ม, มารู้สึกความพ อ, อใจหรือราให้มีเหตุการณ์ชักโยงกันมันจะไปยุตาถึงห ว่าในการที่จะให้ตัวเราไป ม, มันน้อยและ้ารู้สึกที่อยากจะไปมันก็น้อยความรู้สึกของเรามันอยากจะไปที่อื่นมากกว่างั้นถ้าเราไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมไมวางแขนไวน้ย่เขื่นลากใจไปนีน่อให้มันไปทางความรู้สึกแล้วมันจะไปไม่ถึงเราจะเสียะไรามาก เวลาเราจะมีหนรร้าท้องสองครปฏิบัติเพาี้ิตของเรานี้มันก็ไม่ไมน่ยาวนามันกระชากลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเยๆทุกวันแต่ถ้าเรากำหนดเวลาวว่าเราจะต้องปฏิบัติไมน่น้อยเรียแล้วเพิ่มขึ้นไปเรื่อยาแเราจะมีเวลาเพลี่นคอที่จะทาให้ เกิดเป็นผลประโยชน์ขึ้นมได้ดังน้งเราต้องพยายาศึกษาตังเทศทางคันจนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าความจำในเรื่อ้นี่นั่นอยู่กับสิ่งต่างๆอยู่กับคนต่างๆมีแต่ความทุกทัน เมื่อเราเห็นเข้าใจในนั้นเราเห็นว่าความสุดท้ายต้องใจั้งเข้าขั้นหนึน่ใจต้องกว่วยวางลดเสียงจนลดเแลค่ะต้องปล่อยวางความสุขไปนต้องอยู่คนเดยได้ต้องทำสุดให้จบให้หนึ่งดาวแล้วก็ให้เจริญปัญญาให้รู้ทันความย่างให้ได้มากที่สเท่าที่จะวา เพราะปัญญาที่ความเข้าใจที่เราได้ยินได้ฟางนี้มันได้ขงเก็บเพราะถ้าเราไม่พุถึิใหม่ปักความหลงมันก็จะมาหลอกเราได้ทันทีดันั้นขณะที่เราฟังนี้เราค่าจะเข้าใจแล้วว่าความสุขในเ่องนี้นนแล้ก็ออกจากสถานที่นี้ไปนไานเดี๋ยวมันจะมาหลอกให้เราไปหาอะไรที่หาอะไรดึงเดี๋ยเราไปที่นัอนเีเร า, าที่ น, น เเรา ค, นเนคุยกันเรื่องนั้นคุกันเรื่องนี้พอเราเริ่มไปทำนั้นแสดงว่าปัญญาที่เราได้อยู่ในทางทีถูกกลบเกแล้วเราต้องไปอยู่ที่สม ด, ด, ดุลเรียกทำจิตใจสมดุลแล้ปัญญาเจริญความเข้าใจนี้สมอเกิดตรงสมอว่าความกอะไรตางในเรื่องนี้ไมอ่อยู่ที่จาจของเราเทา่า อยู่ที่ตรงนี้อยู่ในวัดอยู่ที่สงบสนัดวิเว้อยู่ที่อยู่โดดยวเดียวดานนี่หละคือความสุขแท้จริงอยากไปคิดถึงเพื่อนตรงนั้นคิดถึงเพื่อนตรงนี้นอยากไปหาคนนั้นหาคนนี้นอยกกรยาได้สิ่งนั้นส่งนี้นัเป็นความเหวีงเทนั้ น, นี่คือข้อมาที่เราต้องทำให้ได้เรานี้โดยสังเกตแล้วว่า การศึกษในตัวเราไม่ได้ยู่ภายนอกที่เราต้องยำเอาไปปฏิบัติให้ได้เพราะว่าพอเราเถอะตัดความหลงจะหล่อให้เราจะหาทางศึกษาภายนอกเพราะว่าชีวิตของเราส่วหนหนึ่งก็มีความจําเป็นต่อการการหาสิ่งบางสิ่งบางอย่างจากภายนอกเพื่อมาดูแ ล, ลกกรักษาอัตภาพร่างกายของเราที่เราต้องหาอาหารรารับปราน ที่ะะรักษ า, าหายารักษาโรคหาเสื่อผ้าเครื่องมือของต่างแากการประชัยหานี้ก็อาจจะเผลอถูกความหลงนิ่หลองให้หาแบบโดยเถิใไปก็ได้จอไม่รู้จะสมายหาอะไรก็ต้องหาแบบดีหรอมั่นคงเสื่อนม่ก็การเป็นการถูกเปลือยถูกความหลง่หลอกไปแล้ว เขาต้องใช้ความมากักน้อยกระโดดเสมอเวลาเราจะจวายหาในในเรื่องของปัจจัยทีเพื่อเราจะไดไม่ต้องเสียเวลาหมดไปกับการสมายหาตัดการที่อย่างของท่านนี่ท่านก็มีเวลาในกำหนดอาหารก็ตอนเช้าออกไปบินกระบะได้อะไรมนาะก็ฉันใจตามมีตามเกิดไม่ต้องไปตรงกัง ว่าวันนี้จะรับประทานอาหารชนิดไหนอย่างไรใหญ่ใหญ่เพราะมันก็กลายเป็นความหลงใจละเพราะถ้าพียงแต่หน้ามันก็จะปรุงแต่งเพื่อความสุขต้องรับประทานอาหารที่ถูกอบถูกจานจะได้มีความสุดการนับปฏิบัตินี้ต้องรับประทานหาหเหมือนกับเติม น, น้ํามันเหมือนกับรับประทานยายานี่มันจะเป็นเรื่องร่างอย่างไรมี สีอะไรไม่สำคัญหมอให้มาให้รับประทานเราก็รับสารอาหารจะเป็นชนิดไหนก็ไม่สำคัญชนิดรสชาติยังไงก็ไม่สำคัญถ้ามันเป็นประโยชน์สียงแล้วไม่เกิดโทษที้แล้วไม่เกิดท้องไม่ไม่เกิดไข้ไม่ปวดก็รับประทานเข้าไปเพื่อให้มันอิ่มเพื่อให้ร่างกายมีพลังงานที่จะได้อยือต่อไปได้เทนี้ก็พอ เราก็ต้องใช้มักหน้ันโดยการู้จักประมาณใน ก, การบริโภกตัดการสื่เพื่อพ่าจะพอปกปิดร่างกายได้ก็พอไม่ต้องหิวระห่ไม่ต้องเสือสดุดงานไม่ต้องพิียดายติดเครืติดทองติดขนกาติดอะไรต่ตามมตงๆนี่กันที่อยู่อาศัยก็พอหลงแดดบลบฝนได้ ที่ปลอดภัยจากภัยต่ตางๆทางธรรมชาติและจากคนที่ไม่ไม่ดีทั้งหลายก็มีข้งเนี้เป็นสิ่งที่เรายัางต้องแสวงหาจากภายนอกอยู่แ้่ไม่ได้แสวงเพื่อความสุขแสวงเพื่อเป็นการเติมน้มันให้กั บ, บรถของเราร่างการของเราไม่เป็นหนมือนรถที่จะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางคือความสุขภายในที่วิเศษที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหาย ได้ได้สังเกตได้มาครอบควองปุจจยที่สะอาดบริสุทธิ์ที่เกิดจากการทำวามดีละบาณชำละความวนความขค่นอวหลงจนขึ้นไปด้วยการบำเพ็ญภาวนาด้วยการรักษาศีด้วยการตัณหนให้ถาี้นี่คือนี่คืออ่อ ข่าวสารจากพระพุทธเจ้านี่คือคำสอนที่จะพาให้เราได้ไปพบกับความสุขที่แท้จริงแล้วเมื่อเราได้รับข่าวสารนี้แนละ้วเราก็ต้องนำเข้ามาฝึกใจเรียกโอตระยานิโกรนำเข้ามาเกือนสติเกินใจเราอยเรืยๆว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่ เวลาวันเพืนผ่านไปนเวลาผ่านไปผ่านไปเรากาลังทาอะไรอยู่เราเรากลังท ำ, รราำงาตามความหลงหรือเรากาลังทาตามพระพุทธเจ้าเราทำตามพระพุทธเจ้าเราต้องเำโดให้ทางรักษาศีาลหรือภาวนาถ้าเราไปสนุกสนานเฮาที่ไหนก็นเราไม่ได้ทำตามพระพุทธเจ้า พระเจ้าท่านก็เคยอยู่ในวงังอยู่ในโลกท่านก็เคยสนิสนานเหตุาแต่ท่านเบืเ่อโลท่านท่านเห็นโทษของมันเลยพออายุยี่สิบเก้าท่านก็ไปโดดหนีลนะเขาป่ า, ล แ, า 40, ลนะแล้วเราอสี่สิบห้าสิบคนแล้วยังไม่เห็ น, นะนหนึ่งนะนังมไหลจะเห็นนะ เรืความสุกนะฮะ า, นาวัา่ทนนีมันมีติเที่ยวมา่มั น, น, น, นเป็นความสุกคละแบบนะฮะมาว่าก็มีติามาแต่เที่ยก็ัอย า, าเที่ยวก็วกวจะามาล้านายานี้นะได้ก็ให้เห็นว่าความความสุกที่เการเที่ยวเหมือนมันเหมือนความสุกที่ไล้กันญาเสพติ <laughs> <laughs> ความจรงิงมันเป็นยาเสพกิชนิดหนึ่ในแต่ลสังคมยัง รับอยอมรับกันได้แต่การเที่ยว น, นี้ทำให้คนที่ยหายวาว่อนมากันเนยอะเหมือนกันถ้าลองเที่ยวโดยแบบไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีประมาณาานี้ทายเนหาทองมาได้เ่าไหร่แล้วก็จะหมดกับการไปเที่ยวไปจริงไปเล่นเหมือนกับการความสุขที่ได้จากการเสกสารยาเราหรือความสุขที่ได้จากการสูบฤุหรี่ก็เหมือนกัน มันเป็นความสุดที่มันเผาผลาญที่มันทําลายชีวิตเรามันไม่ฉุดมันไม่จงเจริญไม่ชีวิตเราดีขึ้นสูงขึ้นอย่างน้อยมันก็ไม่ทําให้เราเจริญขึ้นถ้าไม่เสือ่อมลงมันก็ไม่ทําให้เราเจรินขึ้นถ้ามากกว่านั้นมันก็จะทําให้เราเสื่อมลงได้หรือถ้าเราเที่ยวพอประมาณรู้จักบาลานซ์ที่บอกว่าในสมดุล เที่พอประมาณือไม่ถึงกับต้องไปทำบาทททำกรรมไปทุติยแต่พิประคฤติไม่ชอบเพื่อจะได้หาเงินมาไปเที่ยวอย่าง น, นี้ก็อย่างนั้นมันก็ไม่ขาดถึงแต่มันไม่ได้กำไรจากการได้มาเกิดเป็นนี้ได้มาพบกับทพุทธศาสนาที่เป็นเหมือนกับเพช้ย่หนึ่งที่เราสามารถจะเป็นเจ้าของได้ ที่เราสามารถเอามาครอบครองเป็นของเป็นสมบัติของเราได้แต่เราก็เป็นเหมือนกับไก่ที่ได้พรเห็นใส้เดือนนี้มันดีกคพรเพราะไ ก, ก, ก่ไก่จริงๆพรไม่ได้ไ ก, ก่ไม่มีมัญญาที่จะดูว่าเอาพรนี้ไปขายแล้วจะได้ใส้เดือนเป็นเป็ น, ปนกิโลกุบไว้จริงไม่ต้องไปคุยไปค้นหาให้เหนื่อยยากทุกวันเราไม่เห็นคุณค่าของ ความสงดของจิตใจที่จะให้ความสุขกับเราไปตลอดแบบที่เราไม่ต้องไปขนขวายไปดิ่งรนไปวุ่นวายกับการไปหาความสุขจากการไปเที่ยวทางสถานที่ต่างๆแล้วก็ไม่ไม่มีความอิ่งความพอจากการที่เราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเ้น ในความสุขที่เราได้าจากความสงดนี่มันจะอืิงมันจะพอใจตลอดมีที่ไหนก็มีความสุขมีที่ไหนก็มีความอื่นมีความพอไปตลอดอันนี้เราไม่เห็นกันเรายังเป็เหมือนไก่นั่งคอยนั่งพอยแล้วเกลี่ยทิ้งไปเกลี่ยทิ้งไปไคอยหาตัวหนอนตัวไส้เดิอนไปกินไปวั น, วน ถ้าเราไม่เห็นเราก็ยังต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเรายังเสียนายเรื่องเที่ยวอยู่นี่ก็แสดงว่าเรายังห่างไกลม่าก <c oughs> าจารอาจจะเป็นว่าเวลาเราไปเที่ยวเือต้มีความจุนะคะถ้นไม่ทำอย่างนี้เราจะกดทิงอะย่างเงี้เวลาเราตั้งภาวนาเนี่ยอะเงี้ยบาีเราก็ยังเื่อความสงบมันก็ยังไม่มีความสุเท่าไหร่หนกาเท <c oughs> ี่ยวกันก็ของดีมันก็ย่งางนะ <c oughs> ของมดีมนในก็ง่าย แล้วเป็นยังไงเรได้เที่ยวแล้วมีความสุขแล้วแล้วราเรากลับมาอยู่บ้านแล้วไม่ต้องไปเที่ยวตอบไปได้ไห่รู้ี่ว่าหลายคนนที่นี้ที่อยากจะไปเทียนี่ที่นี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะอย่ามาย่มาทเสียงได้ธรรมาริษประชาธิปไตย เกิดานจริงไม่ได้เสียงสนะไม่ใช่พวอะไรพวกม้ากลาดไปคุณคีบคือว่าพิจางดูจิตนะคะบางครั้งเวลาเราพิจารณาในในทุกที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะพักมันมันรังรับได้ทันทีแต่ด้บางเรื่องในนะในการเิจารณาบางทีเราไม่ยอมรับมันแต่มันเหมือนว่าเราไปจนขั้นถึงตรงนึงแล้วมันจนตรอกว่าถึงจนตรอกมันเราเรียมรับมันมันจะต่างกันตรงไหนรู้สึกว่าในการจนตรอกเราเรายอมรับมันไงนะคะ มันจะเหนื่อยเหนื่อยมากแต่ก็แต่ก็ถึงตรงนั้นมันไปไม่ได้แล้วเราเยอมรับกันแต่มันจะต่างกันกับตอนที่พี่มาบางเรื่องเนี่ยเราเข้าใจโดยที่เราโดยทําเนี่ยเราเข้าใจเลยแต่แต่มันก็มันก็ระงับด้วยกันทั้งสองอย่างความตรงนี้ตางกันย่อยก็ไม่ต่งงางเห็นไหว่ากิเลสตัวนี่มันรังเรื่อมันมันลังฉลาดอยมันก็พยายามพื้นจะดิ้นเขาเรียกตะแบงไปเรื่อย ปัญญาต้องตามไปประกบอยู่เรื่ยๆจนกว่าปัญญาจะจ ะ, จะทำจะเร็วกว่าก็จะทำให้มันจนเงินได้ถ้าไม่จนเงิมมันก็ยังจะมันก็จะมีข้ออ้างกันเรื่อยๆแ่างวาทีเนี้ยก็อ้างตัวเองไม่ท้องแล้วอ้างคนอื่นการจนเงินมัน่เ ก, กินกัรเป็นภูมิค คนเดียวเขาไม่รู้แน่เกี่ยวกับเราเลยแล้วป็เป็นคนไปเป็นดึงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคนเดียวเาอาจจะไม่คิดเหมือนเราก็ได้เหมือนเราก็ได้ใช่ไหมแต่ไม่น่าแต่เนี่ยมันมันเป็นเหตุของของทกิเลสนี่จะหาทางออกไปด้วยเนี่ยถ้าปัญญาของเราเปิดสกัดมันได้เป็นกระทันบนจมูกว่ามันจะมูกแล้วมันก็ต้องเรา ที่ว่าบางเรื่องมันไม่ต้องไปเป็นทั้งนั้นก็เพราะว่าปัญญาเรามันเรามัค่ะค่ะละอยู่กำลังมากกว่าแล้วมีความหนักแน่นกว่าการที่เล็การที่หลได้รับหมัดเดิของปัญญาหมัดเดียก็สละดแต่บางตัวนี่ดังที่หมัดมันก็ยังไม่ยอมกระดกต้องใช้หลายหมัดหนึ่งบางชนิดก็มันขึ้นอยู่กับ ที่มันมันมันฝังอยู่ในวิสัยสังดายนว่ามันอยู่เล็กมากว่าเอ่าไรเหมือนกับเจ้าที่เราฝักไว้ในดินถ้ามันไม่ลงเล็กมากเดินขึ้นถมขึ้นมาง่าแต่ถ้ามันลงเล็กมากมันก็ต้องใช้แรงมากกว่าใช้เวลามากกว่าถึนจะถมขึ้นมาได้ดัะนั้นมันไม่สําคัญว่าจะประชาหรือจะ สำคัญอยู่ท่ว่าจะกาจัดมันได้หรือเปล่าจะถน้าสอนโคนมันขึ้นมาได้หรือเปล่าแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นตายแล้วเห็นว่ามันเป็นทุกข์แล้วเราก็จะล้วก็จะถอนมันได้ไสังเกตว่าพถึงมันไตถึงตรงจนจอดเนี่ยมัน มันจะมีอาการเหมือนมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันก็ทําให้วางลงซึ่ไหมแต่ว่ากับมันก็แล่รู้สงคัยว่าการวางลงตรงนี้มันตัดกับการวางลงในในตอนแรกที่เราเข้าใจเลยมั่นเราก็จะเห็นวันแล้วเราวางลงมันเดบังเรื่องเราวางลงเพราะว่าเหมือนกับความจำยอมมันจำหน่อมันไปไม่ได้เราอย่างไรเราไม่วางมันลงก็แล้วแต่มันจะยังไงก็ได้ขอให้มันยอมจะลวกันมันจะยอมแบบได้หรือยอม ยอมแบบยากก็แล้วแต่บางอย่างจะยากโดยเฉพาะอย่างนี้เรื่องความกลัวตายเนี่ยเราไปที่สุดหนึ่งถ้าเราไม่เห็นว่าความลักลอบตัวตายเนี่ยมันเป็นโทษมากกว่าความตายเราก็จะไม่ต่อแต่ถ้าเราเห็นว่ขนาขณะเนี้เราทุกข์เหลือเกินทรมานเหลือเกินเพราะความกลัวตื่นต่างๆเพราะเราไปอยู่ในะที่เหนื่อยกับว่ากอยภายรอบหน้า ถ้ภาภัยรอบด้านนั้นแต่มันก็ยังไม่มาถึงตัวเราแต่ความกลัวนี่มันมาถึงตัวเราแล้วนะเราจะเห็นว่าความกลัวเนี้มันมีโทษมากกว่าภัยรอบด้านแล้วถ้าเรายอมยอมตายอ่ะพอเรายอมเท่านั้นอะ่ะไอ้ความกลัวที่มันอยู่ในใจเรานี้มันจะหายไปหมดย่มันจะเกิดความสงบเกิดความสบาย แต่ความสุขขึ้นมาข่างกลางภัยต่างๆที่ล้อมรอบเราแต่มันกลจำไม่เป็นภัยเหมือนกับภัยที่เกิดขึ้นอยู่ในการคือความความรัก ต, ตัวตัวตายที่เราจะไม่เห็นได้ตัวความตัวรักตัวตัวตายนี้ถ้าเราไม่จะอยู่ในสถานที่ที่มันมีภัยล้อบได้เพราะตัวนี้มันจะไม่ออกมาอย่างที่เราอยู่ตรงเนี้ยตัวความรักตัวตัวตายมันไม่ออกมาแต่ถ้าเกิดมีภัยโยนอยู่ ทิดเข้ามาใส่ในสาราสักตัวดูใครจะกระโดด ข, ขังทังเง <c oughs> ินมันถึงจะออกมาถ้าถ้าเกิดมัระโดดไม่ได้จะทํำยังไงกันทุกคนต้องนั่งนิ่งถูกถูกผูกนั่งแล้ถู ก, ถ ก, ถ ก, ถ ก, ถกมัดไว้ให้นั่งอยูนะ่ในศาลเนี่ยดูจิตใจมันจะดิ้นอย่างไรกันถ้าจิตใจที่มันตรงได้มันก็ไม่ดิ้นเพราะหมายว่ามันทุกข์ร้อเกินที่จะกลัวความตายดูอยอมตายดูยัง ตายแล้วกลับไม่ทุกข์ถ้ามันมาเห็นย่งนั้นนะ้มัมันมันมันก็จะสามารถทําลายความรักตัวตัวตายไดเช่นคนก็เป็นทางหลวงเนี่ยเพราะว่าถ้าพิจ า, ยายรณ า, าด้วยปัญญาแล้วไม่ใ่ใจร่างกายมันก็ต้องตายอยู่ดีร่างกายมันก็เป็นเพียงวัตถุเช่นเดียที่เราได้มาครอบครองเราไปหลงมันว่าเป็นตัวเราของเรา พรามันติดมาติดอยู่กับใจตั้งแต่วันที่เข้ามาจากจากท้องแม่ตั้งแต่วันที่ <Yeah. S 1> จิ ต, ต, ตใจเริ่มตืินขึ้นมาเริ่มรับรู้เห็นร่างกายร่างนี้มันก็ถูกความหนงหลอกว่านี่เป็นตัวเราของราแล้วก็ไม่มีใครมาบอกเราว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าถึงว่าพ่อแม่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอะไรก็จะถามมาถอนแต่ลุกมลุม น, น, นี่เดี๋ยวถามว่ามุขทางรางการนี้อย่างนี้นะโดนมี่แทเจริงไม่ใช่ร่างกายนี้ตัวรู้ประพฤติเรียงยันยันที่มาครอบครองร่างกายนี้คือตัวรู้คือตัวใจแล้ร่างกายนี้จะเป็นมาก็ไม่ต้องเสียดายมันจะแก่มันจะเจ็มันจะตายจะให้มันเป็นไปมันไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วมันจะต้องไปอยู่ดีถ้าเรายอมให้มันไปมันไม่ไ ป, ปยึดไปติด ก, กับมัน ถ้าจะอยู่อย่างมีความสุตลอดเราจะไม่มีความทุกข์กับความเป็นไปของร่างกายร่างกายจะเปลี่ยนแเป็นอย่างไรจะแก่จะเจ็บทายหน้สุดจะมีภิกุท า, ายอะไามมังคอยทำวาลจะรู้สึกเฉยจะสามารถไปไปได้ทุกท่นทุกคนที่คนที่คนก็ไม่กล้าไปที่คนทั่วไปจะไม่กล้าไปึง ไ, ไ, ไ, ไ, ไปป่าท่าไปใน่าลึก คนส่วนใหญ่จะไม่ท้าไปแต่เราจะไปนั thì thì ่นอย่าทุกขบันจ nó ันให้ทครั้งของเราท่านเป็นคนสอนแต่เมื่อเป็นเด็กมาเนี่ยมันก็จะเชิญท้าเข้าไปในใจรืเด็กจะรับได้ไม่ได้ก็อยู่ที่เนี่ยอยู่ที่จุเด็กทังเด็กน่าวันมันแรงกว่าแรงมากหรือแรงน้อยถ้าถ้ามันถ้ามันเ็กมันน้อยมันจะรับได้งานมันก็ ปัหามันก็จบงายถ้ามันรับได้ยากก็ต้องขอสอนขออะไรอย่างน้ด้วยแล้วก็ต้องให้ไปประสบกับเหตุการณ์จริงๆแล้วนะให้เลือกดูว่าความทุกข์ถ้าเห็นความทุกทขใใก์ที่เกิดขึ้นจกเหตุใารณ์ที่ไปหลงยึดติดว่าเป็นตัวเราของเรามันมีโทษมากกว่าการต่อวางการรำลึกความจิงว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ขเขา การยอมว่าความที่งายถ้ามันจะากไปมันจะเป็นเงาไปและให้เงาใสแล้วจะเห็นความสุขความสนุกที่เกิดจากการยอมยากเองถ้าเห็นตรงนี้แล้วต่อไปก็จะสามารถที่จะใช้ใ ช, ใช้ใช้ความใช้ขนอันนี้ไปใช้กับสิงงต่างอย่างองื่นได้แต่ถ้าเราปล่อยร่างกาี้ได้แล้วเสรเ็นเอก็ปล่อยได้หมดมเพราะทุกอยนนี้มันเป็นของรองลงมาจาก ร่างกาเพราะสมบัติทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรจะมีค่ายิ่งกว่าร่างกายนี้คือพระเจ้าป็นกาศว่าทรับอวัยวะนักชีวิตชีวิตนีม้มั น, มนเราเราให้น้ำ ห, หนักกนมากที่สุดา ก, ก็ว่าอวัยวะบางทีเราต้องตัดแขนตัดขาแล้วก็ยอมถ้าเรายังอยู่ได้ลองไปถ่าตัดก็ยอมผ่า เพื่อที่รักษาชีวิตเราเพราะเรายังรักชีวิตนี้มากกว่าแล้วเจ้าบอกว่าให้รักรักใจมากกว่าให้รักธรรมธรรมา ก, ก, ก็เคือความสงบของใจนี่เทียบธรรมถ้าอยากใจใจสงบไม่มีความสุขใจก็ต้องละได้แมก้กระทั่งชีวิตเพราะชีวิตนี้มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะละไม่ได้มันละได้เพียงแต่เราไปหลงยึดติดในเองแต่ใจ น, นี้เรารักไม่ได้ ต่ให้เราอยากจะล้าเนี่ยการล้าไม่ได้เพราะมันเป็นของเรามันเป็นตัวเราแท้ๆจริงมันอยู่กับเราปตลอดแต่เราไม่รู้ใจเมื่อเราเป็นหลงว่าเราคือร่างกายแล้วเราจะทุกขันวกับร่างกายที่มันจะต้องจากเราไปไอ้ที่มันไม่จาดเราไปก็คือใจมันอยู่กับเราตลอดเจ้าลูกอยู่กับเราตลอดแต่เราไม่รู้ใจเพราะ ถ้าเราไม่เคยมีใครสอนว่าใจเรามองเป็นเรถ้าเราไม่ภาวนามันจะไม่เห็นใจ mm hmm. เพราะใจคือความหลงหลอกให้ใจ เ, เ, เห็นสิงทั้งปายนอกไม่ให้มองกลับมาดูที่ตัวตัวใจตัวใจก็อยากที่พูดเน่ใจมเป็นเหมือนเป็นเอกจักรวาลจักรวาลภายนอกก็คือที่เราเห็นด้วยตาของเราตือนดวงดา ใักรวาลนี่ยแต่เราลองเราหลับตาดีสิเราเห็นตักรวาันจักวาลภายในขีเราวลาเรานั่งภาวนาอย่างนี้แล้วถ้าหูท่าหูไม่รับเสียงอะไรต่างๆไม่รับรู้แม้กระทั่งรานกายรับ้เราก็จะเห็นว่าจางนี้มันเป็นตกรวลจักวาเนี่ยอันนี้แหละที่เป็มไปยตายทกยในนี้นรกสวรรค์มันก็อยู่ในะักรวาลภายนี้ แต่เรามองไม่เห็นกันที่เราว่านั่งทอนาแล้วไปเห็นแล้วไปรรคงก็ความหมายก็เห็นอย่างนี้เห็นด้วยปัญญาเห็นว่านี่แหละออมันอยู่ในนี้เอะเวลาที่กายเราลุ่มรอเ น, นื้อกายเราก็ไปในรลกนล้วเวลาที่กายเราสงบเย็นล้วก็ไปสวรรค์แล้วที่มีความสุขเราก็ไปสวรรค์แต่เป็นความสุขที่เกิดจากทาความดีไม่ใช่เป็นความสุขแากการไปเที่ยว อันจะเป็นนรกที่มันเคลื่อนด้วยสวรรค์มันมันเป็นสวรรค์เดี๋ยวเดียวพอมันกลับมาบ้านปรากฏการเป็นนรกทันทีบ้านเป็นเป็นสถานที่ไม่น่าอยู่เลยทั้งทั้งที่บ้านนี้ควรจะเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ที่สุดแต่เป็นสถานที่ที่น่าเลื่อน่าเลื่อหน่ายคุณจะต้องหนีออกจากบ้านไปเรื่อย เัรนั้นสืโอเจวาสงสารให้เราปฏิบัติก็คือให้เราให้เข้ามาสื่ภายในใจให้เข้าสื่กับตัววางภายในให้เข้าไปเห็นให้ใหเห็นอย่างแท้จร่งว่าโลกขวัญเนีน่นลนรกอยู่ไหนขวัญอยู่ในใจพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าเรอยู่ในใจในใจในในในเรานตของเราเนี่ยแท้จริง ตวะวนี้ก็เป็นของเรานรกก็เป็นขอเราเราส้างขึ้นมาเองเราทำบาปทำการมทำในิ่งที่ไม่ดีเ่ยเราก็้างครับนรขึ้นในใจของเราเราทความดีเราก็สร้างสวรรค์ขึ้นมานเราภาวนาเราก็ส้างนิพานขึ้นมาไปใจของเรโดยใจนี้ใจนี้ถึงนแต่ละวันที่กว้างให่ไพศาลแต่เรามองไม่เห็น เพราะเราไม่หลับต า, า ก, กันแต่เาเราหลับ ก, กไไ็ไม่มีสติกันอะไรไม่รับรู้กันเลยคนเราเล้าหลับกันถ้าหลับแบบนีสติก็หลับแบบภานาหลับตาแล้วภานาแล้วก็จะเห็นนรกเห็นก้อนเห็นเท่เห็นอะไรในตาเห็นว่าผนไม่ตายมีใใอะไร่านี้ทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่ไหนคนเห็นแบบนี้นะก็ไม่ต้องไปอินเดีย เมื <i> ่อทำแต่งงานก็พิจิกาหาก็ทำหาต่อไปเรผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นร้องเรากไหมถามั <i> าไม่ได้เงก็ต้องทำเรื่อยๆนะมันจะไม่ทําทคนเดียวแล้วมันจะเหมือนสอเงินในธนาคารสิบบาทแล้วจะให้ก ง, า, งาเป็นล้านบาทขึ้นมานไม่เหมือนกัน มันก็มีแค่สิบบาทจะได้เยองแต่างสถานเขาก็หักออกไปด้วยกน็มีค้ารักษาคนช้นกีค่ารักษาคนชิ้นควาที่เราพิจารณาไปใช่ไหมคะจนให้จนคือคือเข้าใจในจุดๆนึ่งด้วยเหตุผลใช่ไหมคะกับกับธรรมะที่เกิดขึ้น สภาพมันเกิดขึ้นที่เอง น, น้ำยามันเข้ากั น, นกกรู้ว่ามันคือถ้าเราพิจารณาเลเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันเข้าใจแต่มันยังไม่เป็นภาวนาเมยปัญญาคือยังไม่อยู่ในเหตุการณ์จริงถ้ามันอยู่ในเหตุการณ์จริงแล้วพิจารณาเนี่ยเราจะเห็นความขึสนกระพที่มันจะแลกเปลี่ยนกันโือเราทุกเราวุ่นวายกับเรื่องงานเรื่องอย่าเพราะเราอยู่ในเหตุการณ์จริงแต่เราพิจารณาว่ามันก็เป็น เรื่องที่เราต้องปล่อยวางต้องตัดไปพอเราตัดได้กล่อนได้ความืาม่นร้าวในใจก็จะ่ายไปความสุดารกรายใจก็จะจบขึ้นมาไมห่วงเยจะติดทุบกอไม่ติดทุบอย่างนี้เจ็บก็เจ็บเนี่ยพอเรายามเิ็บต้อเนมันความคิดในใจมาแล้แต่ถ้าเรายังไม่อยากติดอย่างไรมันกลัวอยู่ยังยอยากจะให้มันเป็อย่างนี้มันเรนไม่ยอรับการจริง เราไม่ย่มรับความจริงมันก็ยังทุกข์อยู่แล้วเราเราเปน็นเล่าในหมอบบาตายภายในสามวันเจ็ดวันเราก็เล่าพิกนา์กันนามด้ยนะครับถ้าเรายังทุกขอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่ยอมรับความริยังไม่เห็นอนิจจัในในร่างกายว่ามันต้องตายแต่ถ้าเรายอมเราพิกข์กันแล้วเห็นความจริงแล้วตายก็ตายต า, า, า, า, ายก็จบไห่มันเป็นปัญหาอะไรตายด้วยกันทุกคน พอยอมตาแล้วนั่นมันก็ทุกข์าพอถึงเวลามาอาจจะไม่ตายก็ได้พอหมออาจจะวินิจฉัยผิดก็ได้แต่ก็ไม่รู้เส็จกันอะไรสม่ติวันนี้ไม่ตายวันนี้มันก็ต้องตายที่นี้อยู่ไม่ตายเจ็บวันนี้ก็ตายเจ็บเดือนมีตายเจ็บเดือนก็มาตายเจ็บปีมันก็ไม่เดือดร้อนอย่างนีทั้งหลายมันต้องการดับความคึกัะนองใจนี้ ที่เราปัญหาอย่่งปไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่การเกิดแก่เจ็บตายแต่ใจที่ใจทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายทำให้ทุกข์แล้วก็ไม่เป็นญหาแล้วแต่แก่ก็ไม่เป็นปัาเกิดเจ็บต้ายได้ป่วยก็ไม่เป็นปัญหาตายก็ไม่เปัญหามันจะเป็นอะไรก็ดูแลมันไปรักษาไน้กรักษาไปหายหายไม่หายรักษาหายแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ต้องเต็ม ถ้ามันหายแล้วมันจะไม่เป็นใถ้ามันหายแล้วขาหายขาดไปเลยไม่ไ ม, ไม่ตายเลยก็ก็น่าที่จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างรักษายังไงพอมันหายแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นอาจจะโรคนี้มันก็เป็นโรคอย่างถ้ามันมีโรคมันก็มีความชราเป็นตัวที่จะทําให้ตา ย, เ, ยเป็นที่สุดแต่ใจไม่ได้ตายไปด้วยกลับไปวุ่นวาครับ การตายของร่างกายที่เราต้องพยายามแยกแยะออกไปว่าเราไม่ได้ตายนะร่างกายตายเราไม่ได้ตายเราเป็นวุ่นวายกับมันทํำไมเราเป็นเพียงคนขับรถเราเป็นเพียงคนที่มาครอบครองร่างกายนี้เราเหมือนร er ่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกับสมบัติชิ้นหนึ่งเช่นเครื่องหักเสียงเคื่องหลักเสียงนี้เราใช้ไปเรื่อยๆทั้งวันหนึ่งเราก็รู้ว่ามันจะต้องเสียเสียก็เสียเปสิซ่อมได้แต่ซ่อม เไม่ได้จะพิงไปร่างกายนี้ก็เหมือนกันแต่เราเจ้าของที่เป็นเจ้าของร่างกายนี้ที่ดูพอดีแล้วรักษาร่างกายนี้ไม่ไดเป็นไรไ่างกานจิตถ้าเร า, าเราตลาดรูทันเราตัคดความได้เหมือดเราก็เราก็ไม่ต้องไปหาร่างกายเหมืถ้าเรายัางนี้ไม่ทันเมื่อร่างกายนี้แตกไปแล้วก็ไปหาร่างมามามาเราเป็นกองทุกกองใหม่ให้เราแบบากนั้ง เหมือนเหมืนถ้าเราเบื่อที่จะต้องคอยช่อมคอยรักษาคเครื่องความเสียเครื่องสุดท้ายเราก็ไม่คืนนล้วเราก็หมดตระหาักตระนใจแต่มันยังใช้ประโยชนได้เราก็อที่เราชัางน้ำหนักรอประโยชน์กับกับโทษที่ร้อนได้มานี้ประโยชน์มันยังมากกว่าเราก็ยังเกาไปหาประมาณร่านกายนี้ก็ยังมีประโยชนอยู่ ถ้าเอามาปฏิบัติทำถ้าเราบรรลุขั้นแรกนกะแต่ยังไม่หมดยังมีเหลือสามขั้นนันเรียนจ็ดขั้นแค่ระดับเป็นยาตึงยังไม่จบเป็นญญาอีกแล้วเกิดต้องตายไปก่อนเราก็ยังต้องกลับมาเราก็ต้องไปหาลัคน์ใหมะเพื่อที่จะได้มาเรียนต่อเรียนให้จบ <c oughs> แต่พอเราเรียนจบนนแล้วเราก็ไม่ต้องมีร่าน์ก็ได้หลวงพ่ <c oughs> อพุทธิย่าผ <c oughs> ้าล้านตั้งท่านเรียนจบนล ท่านก็ไม่ควรจะเป็นกระทั้งใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือแต่ถ้าเป็นพระโสดาบานันนี้ท่านก็ยังต้องอาศัยร่างกายนี้เกิมาเกิด ม, มาปฏิบัติธรรมต่อก็อท่านก็มีมีมีเอกเยดชาเป็นอย่างมากท่านก็ไม่ต้องาสาศัยร่างกายนีะภายในตัาทนี้ท่านสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าเป็นพระสติดาชัางนี้ก็เป็นแค่เดียวที่จะบรรลุได้ ถ้าเป็นท่างานทามีท่า น, านาก็นไม่ตม้มานสายร่างกายเพราะงานที่เกี่ยวกับร่างกายนี้ทำแบบนี้ น, นะงานที่เกี่ยวกับราคาตัาหาเกี่ยวกับกรรมมาสังฆานี่เกี่ยวกับกรรมมาต่าหานี้ยมไม่ถูกทําลายเรียนจบวิธานี้แลนะเนือนแต่ภาวะต่งหายที่ภาวะตัาหาที่งมีอยู่ภายในจิตไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างกายวันนี้ก็ ส, สกามารถทําได้ในขณะที่อยู่ใน ระดับของพรมของของพระอนาคามีก็ไม่ต้องอาศัยร่างกายก็าสามารถที่จะยเยกิดได้โดยก็ไม่ต้องใช้ร่างกายก็ไม่ต้องไปหาร่างกายไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เกิดเป็นพรมแล้วก็มีู่อยู่ในชั้นพรมนั่นภาวนาต่อมันเป็นวิ ป, ปัสสนาขั้นต่อกันจนมนุษยเป็นพระอรหันต์ไปได้ที่สุด เรื่ร่างกายมันก็ยังมีมีมีมีคุณท่านลยถ้ารู่จักใช้มันมันก็เป็นประโยชน์ถ้าไม่รู้จักใช้มันมันก็เป็นโทษมันก็เป็นตัวที่จะทําให้เราถูกติดอยู่กับการเรียนร่างายเกิดไปเรื่อยๆได้ร่างกายมานรียนร่างกายยามาบางเพ็ญก็เอามาเที่ยวอย่างนี้มันก็จะถูกให้เราติดอยู่กับการเที่ยวอยู่เรื่อยๆพอตายไปท่านหน้าก็ต้องไปหาร่างกายเที่อนจะเที่ยวมันต่อ แล้วมันดีไหมนะเวาเที่ยวมันก็ดีแต่เวลามันเจ็บไข้ได้ส่วนมันเป็นเวลามันอยู่ข้าวเวลามันมันมันขาดแคลนอะไรต่างๆนี้มันไม่ดีมันทรมานวิชาเนี้อยากจะเป็นบุญของเราที่เราได้ร่างกายที่มันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเราอยากจะได้อะไรเราก็ได้มาเป็นจะเป็นต่างๆเช่นเช่น เพ่นใช้ไม่สวยนีรับจับใจสิงก็มีอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดไปอยู่ในประเทศที่มันแห้นั่งกำดัเดียวที่เขาคนมือกิงมืออย่างในประเทศอฟริกาบาี่จะรู้สึกว่าไม่อยากจะเขนินเลยถ้าไปอยู่ที่นีนนเนน่เนะ เ ร, รื่อยๆะเพราะมจะไ ป, ไปะมันจงมีมันจะต้องมีอะไรที่จะทําให้เราไปอีกท่านนี้ท่านต้นท่านต้นมันก็จิตต้งสงบก่อนจิตสงบเป็นสมาธิแล้วก็เริ่พิจารณาร่างกายว่าแเกเจ็บตายเป็นธรรมดาเพราะร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราแล้วก็ทดสอบดูว่าปล่อยวางมันได้หรือเปล่าเพินง ไ, ไปอยู่ในป่าคนเดียว ไปอในปา่าช้าไปอยู่แถวที่มีมีภัยอันตรายมีเสีย่ยมีงูมีอะไรแล้วยอมตายอะไรจะอะไจะมากัดมากินแล้วก็ไม่ไม่เสียดายแล้วถ้าใจปล่อยได้ใจมังก็จะมันก็จะหลมันก็จะปล่อยวางได้ในระดับนี้นั่นก็ท่านนท่านไม่กลัวตายนี่ก็ท่าน ทำต่อไปมันก็ยังยังมีความยืนยันในความสวยงามของร่างกายอยู่ยงเห็นคนนั้นก็นี้ว่าสวยงามยังให้ความสุขกับเราได้อยู่ประหยัดไปได้ของเราเป็คนคู่ครองอันนี้เขาท้องพิจารณาให้เห็นหน้าเขาไม่น่าเกลียดน่ากลัวมีสิ่งที่ไม่นา่าไม่นา่าไม่น่ามองอยู่ภายใต้ภายใต้ที่หน ถ้ามีน้ำคนเราก็มีอ ว, วัยวะต่างๆเป็นส่งที่น่ารังเกียจถูกคุ้มผ่อนอเราก็ต้องมองลองทององององละลุเข้าไปเราเราจะเกิดความเดือดน้อนเจะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความยินดีที่จะหาความสุขจากร่างกายของคนอื่นมันก็เลุดไปทาน น, นั้นก็ยั ง, งนี้ท่านอื่นใจของเรายังยังคิดว่าเราดีกว่าเ้า ตาำกว่าเขาสูงกว่าเขาเร็วกว่าเขาเรวก็ยังจะมีความรู้สึกไม่ดีเวลาเราเจอคนที่เขาดีกว่าเราเราก็อยากจะดีกับเขาเวลาเห็นคนที่ก็ต่ำกว่าเราบางทีเราก็ม้อยเราไปรังเกียจเขาแล้วถ้าเกิดความความรู้สึกที่ไม่ดีขึ้นมาภาในใจเราก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเพียงสมมุติแท่านั้นเอง เืองความทำเลยความฉลาดความอะไรนี่มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องของบุญของกรรมคะของแต่ละคงได้สะสมมาแต่แใจจริงๆเหมือนกันธรรมชาติของใจของทุกคนเหมือนกันคือเป็นาป่าตันี่เหมือนกันเหมือนกับร่างกายของเราทุกคนมาจากท่าตัวด้วยกันทั้งนั้นแต่เนื่องจากบินกรรมมันปรุงแต่มันเลยทําให้ร่างกายของเรานี่มีความสวยงาม มีคาหน้าตึกไม่เหมือนกันมีผิวพรรสดไสของไสไม่เท่าเทียมกันแต่มันก็มาจากวัตถุอันเดียวกันมาจากดินน้ำเงินใสันั้นถ้าเรามองเห็นถึงพื้นฐานลากฐานของของร่าตายเราก็จะรู้ว่ามันเหมือนกันมันก็เป็นแค่ดินน้ำเงินใสเหมือนกันลาาฐานของใจก็คือธาตุนี้เหมือนกัน มันแต่จะนู้มากรน้อยแต่ฉลาดมากฉลาดน้อยเท่านั้นเองใจนั้นก็เป็นธานี้เหมือนกันก็มีความสุขมีความทุกข์มากทุกน้อยเหมือนกันก็ก็อยู่กับหนึ่งกับครเราจะจะทุกข์ใจได้แล้วก็เราจะเห็นว่าเวลาที่เราเห็นอะไรแล้วเราเกิดความคุดกับสิ่งที่เราเห็นนี้เราจะเราก็ต้องมองไปที่ความคิงว่ามัาานไม่นั้นมันเพ่ง ความจริงลราเราไม่มีความแตกต่างกันเราไม่ได้สูงกว่ากันไม่ได้ไม่ไม่เท่ากันไม่เราเหมือนกันเพีแต่เราอยู่ในในภาพของสูงที่ทำให้เรามีทางยว่าเราะเรามีความแตกต่างกันมีสูงมีต่ำเมื่เรู้แลาต่อไปเราก็จะรู้สึกเท่ๆกับคนที่สูงกว่าเราหรือกับต่ำกว่าเราหรือเท่าเราก็ถือว่าเหมือนกันเป็นภาพลู่เหมือนกัน เป็นใจเหมือนกันเราก็จะไม่ยึดติดในตัวตนอันนี้ก็ต้องต้องพิจารณาไปปฏิบัตไปอะไรที่มันทําให้มีความยึดติดเป็นความทึ่งอยู่ภายในใจมันก็จะต้องแก้ไปเรื่อยๆแม้กระทั่งความสุกข์ทงละเอียดที่มีอยู่ในใจมันก็ไม่ได้เป็นความสุกที่ถาวง่ง แต่เราไม่รู้เราก็จะคิดว่ามีเป็นความเจ็ที่แท้จริงเราก็จะพยายามรักษาหนึ่งที่รักษามันก็จะทาให้มันเปลี่ยนไต่เรื่อยๆยกับกความเจ็ขึ้นมาขึ้นมาในใจพราะความอยากที่จะรักษาหนึ่งเมื่อเข้าใ จ, จว่าความเจ็บ่บบนี้มันก็ยังไม่ใช่เป็นความเจ็บที่แท้จริงเป็นความเจ็บที่สายใต้ของใยนัก่ความขขาทีาละเอียดขึ้นมอยู่ภาใ น, ในใจิตใจ คือเกิด จ, ะจะากการชำาะเปลสสือกปุอย่างไปทั้งหมดไปแต่ยังมีเปลือกเชือดแลอนอยู่ที่ทำให้ใจนี้ยงเปลี่ยนไปเป็ี่ยนยให้มีความเจ็บนี้เปลี่ยนไปเป็ี่ยนน่อยก็ได้พิจารณาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นว่ามันเป็นสมมติมันเป็นใจรักในอันจำกุลกลับหน้าตาแจ้วก็แม้จะยึดติดปไแล้วมันก็จะมันก็จะค่านไปได้ ถ้าจะได้มันถึงจะไปเจอความจบที่แค้กรินความจบที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมือถึงที่นั่งมันก็รู้ว่ามันมันถึงบ้านแล้วถึงจุดหมายปาทางเนทางที่เราปล่อยวางมันจะเกิดที่เราอินเคยใช่ไหมไม่ได้เการคิดว่าปล่อยวางได้ันก็จะเห็นว่าถ้าไม่ปล่อยมันจะทุกข์ในร่างกายถ้าเราไม่ปล่อยมันก็จะ ถ้าลูกเราสามีเราเราไม่ก่อ่เราก็จะทุกขบ์บเขาถ้าเราก่อนเขาเป็นอะไรไ เ, เรื่องของเขาเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาการเราไม่เห็นความทุกข์ปัญหาของเราทุกแาบเป็นแทบตายก็ยังนิดกเงเกาะใงาติดเยอยังกิดไม่ได้งอนไม่หลับคนเ็งสอนยังไงก็ไม่เข้าใจมีอยู่เยอะคนที่ทุกข์กับเรื่องต่งางๆก็ทางยึดติด แต่ไม่รู้ว่าทุกนี้เกิดจากการยึดติดนั้นตอนไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังทุกข์อยู่ตรงกลับไปทุกอยู่กับเรื่องที่จะไปแก้ให้เขาเป็นไปตามที่เราอยากจะให้เขาเป็นซึ่ไม่อยากให้เขาไปเที่ยวเราก็พูดว่ากับเรื่องการไปเที่ยวของเขาพอเขาไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่สบายใจทุกทีแต่ถ้าเราขวามีนจะไปเที่ยวไหนก็ไปไม่ใช่เรื่องของเราหรือ่ะเราก็จะไม่ทุกข์กอดถา เราไม่เห็นทุกเกินนี้ทุกที่เพราะความอยากความอยากขอะไรก็อยากจะให้มันไม่ทำตามใจเราแต่เราไม่รู้ว่าความอยากนี้นะเป็นตัวที่ทําให้เกิดความทิกขึ้นมาพอเราเข้าใจแล้วว่าอ่อนเพราะทกข์กลางนี้ไม่ใช่เพราะเขาเพราะเราในฐาที่ไปอยากไปอยากให้เขาทําตามใจเราแต่เขาไม่ทําตามใจเราเราก็ทุกถ้าไหนก็ทําตามใจเราเราก็ไม่ทุก แต่มันไม่ได้มันแต่มันไม่ได้เป็นการดักทุกข์เองแต่ว่าตอนวันนั้นไม่ได้ไปทำตามเขาเขาไม่ได้ทําขัดใจเราเขาทาตามใจเราเราก็มีความสบายใจแต่พอครังนี้เขาไปทําขัดใจเราขึ้นมาเราก็ทุกแต่ถ้าเราไม่ไปอยากอะไรกับเขาเขาจะทําอย่างไรก็ได้มันไม่ได้จะสนใจไม่ได้ไปอยากอะไรกับเขาแล้วนี่เป็นการปล่อยวาง เขาใจแไ่เที่ยวก็ได้จะไปโรงเรียนก็ได้เขาจะไปทําอะไรก็เรื่องของเขาเราเราก็ไม่ทุกข์กับเขาในปัญหาของพวกเราส่วนให่เราต้องไม่เห็นทุกตัวนี้เราทุกข์แคเป็นธาตุตายเราไม่รู้เรากลับพยายาที่จะไปแก้เขาอยู่นั่นให้เขาทําตามใจตามใจเราทำพอถ้าพอแก้ได้วันนี้ก็เบาใจในวันนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีเรื่องใหม่นะให้เราแก่ทําเรื่องนี้ไม่ถูกใจอะไรนะแต่ถ้าเรายอมรับเขาว่าเขาทํายังไงก็ได้พอใจทุกเรื่องตัวของเขาเนี่ยขอป็นคอยน้ำฝนนับอะไรส่วนในนี่มันกระทบต่อเราแลาต้อพยายามช่วการป้องกันตัวเราไว้อย่าให้มันมากระทบกับเร า, เราถ้าเราทําได้ถ้าทําได้้ก็ถือว่าต้องเป็นค่าใช้ใจ่าย เป็นเปนการใช้กระเของเราไปเช่ลูกของเราที่มันชอบจะใช้เงินใช้ทองไปคุ้นได้ยินเสียงแล้วก็ต้องมาให้เราเป็นคนไปไปไปใช้คืนี้ถ้าเราสามารถประกาศทา ง, น, งนั้นก็ถึงแม้ว่าลูกทนี้ไม่ใช่ลูกนานะเราไม่รับความผิดชอบเกี่ยวกเรื่องนี้เสียทีก็แต่ถ้ายังยังยังมีเจ้านี้และยังมีอะไรที่สามารถที่จะมา มาบางครั arias, ้งให้เราใช้น no <questo> ี่ได้ก็ต้องถว่าเป็นกรรมเราก็ต้องยอมใช้แต่าอย่ันอนกบ็นการทดสอบอยู่นะถ้าเราสามารถปล่อยงานเย่างไได้หรือต้กามากด้วยว่าพราเป็นไงแล้วเรายิมได้ถ้าทำอะไรเรก็ยิมได้ยื่กันได้เขาจะทำองไรก็ไม่รังสีเขา ไม่มีความรู้เศกนะอาจจงเดืนใหกั <c oughs> งวลยึดตกหวงใหญ่ไม่มีอะไรเหมือนกับเป็นอีกคนเนี่ยมันก็บเป็นคนที่เราไม่รู้จักก <c oughs> า, านะอาจกอนนี้ก้อนที่ทำยาอ่าก็ปัญญาไงปัญญาถ่ายรูปมาอนนี้ก้อีาเราไปลูกพันธุ์ข้าวนา <c oughs> เราเลยมีความหวังในตัวเขามามีความอยากในตัวของเขาอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้อยากให้เขาเป็นคนดีอยากจะให้เขามีความสุขอยากจะให้เขาแต่มันตัวเขาหนักไม่ใช่ตัวเราทําไมเ้าไม่อยากในตัวเราแพงอยากในตัวเราเรากลับจะได้ประโยชน์ทําไม่อยากอยากให้เราดีด้วยอยากให้เราภาวนาอยากให้เราปฏิบัติธรรม อันนี้เราทําได้ส้าเราขับไม่ทำเราขับไปอย่างในตัวของตัวเองเขาเรื่งเราไปบา็บังคับของไม่ได้แม้แต่ตัวเขาเองเขาบางทีเขาก็บังคับตัวเขาไม่ได้เพราะเขาอยู่บนกรลัที่มันติดตัวมาที่เป็นนิสัยถ้าเขาชอบเคี่ยวแบบนี้ยมันก็ติดมาเป็นนิสัยไปเราห้ามไม่ให้เขาเคี่ยวตอนหน้าเขาก็อาจจะไม่เชื่ยวพอเราถอยมันเขาก็ออกเขาก็ออกไป ก็ต้องอย่างนี้เพราะคนส่วนนี้หมดได้คนนี้มีข้อบครัวนี้ดยากกว่าแม่หญิงน้องชายพงศ์เจ้าถึงถึงถึงออกหมดยากถึงรอถันที่ยี่สิบเก้าถยงจะออกได เพราถ้ามีถูกอิทธิพลสองพ่อคานเกิดอยู่ในันพ่อประคอนยอมรัให้อยู่กับเียงแต่จางแต่ไอ้ใจเนี่ยมันที่มันสว่างหาความสุดท้ายจริงมันก็จะแหวกว่าออกจากพ่อสุกตั้นต่เมอมาๆมันก็เพิ่มเอยู่วันสวันครั้งสองครั้งแล้วทั้งพอมีทีฆ่าก็ต้องเบื่อหนัเลยจะกินอาหารรสพิเศษขนาดไหนก็ต่างให้กินค้าๆสักเจ้าสัก เดือนอย่างนี้ให้กินอาหารชําจาเต็นนี่มันก็เบื่อให้จะมีราคาแพงขนาดไหนก็ตามดีขนาดไหนก็ตามมันไม่มีี่เศษหรอกสัตว์ใจมีอะไรที่มันช้ําๆตกาแมันจาเดือพอเบื่อทั้งก็าก็ทางออกหาหาทางออกไปเเป็นงานที่เบื่อท่นก็ก็ออกได้ เพราะว่าใจของท่านี่ได้สะสมบุญมาเยอะบุญเก่านี้คอถักดังอยู่เรื่อยๆแต่ระดับพวกเรานี่บุญเก่าไม่พอไม่มากพอเราเต้องอาศัยบุญใหม่ต้องอาศัยบุญจากการแไปหาที่บ้านจ้างคอยที่นึงไม่พอเมื่อไม่มีบุญถักก็ต้องใช้บุญดึงลงไปบุญทางไหนที่ศักก็ต้องนำบุญทางนั้นเป็นตัวลาลงไป แต่ถ้าฟังแล้วยังไม่ไปก็ไม่รู้ด้วยก็แส ด, ด, <c oughs> ดงว่ามันยังไปไม่ได้ ก็พิจารณาว่า <Spark> ม <le> ันมันมันจะนเรื่องสุดที่สายเมื่อมันเป็นสุดที่สายเราช่วยตัวเราเพื่อได้อย่างมากเราก็แค่ตายถ้าไม่มีใครช่วยเราเราก็ตายอยู่ดีดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปกังวลถ้าไม่มีใครต้องอยากไปช่วยเราก็ไม่เป็นไร้ย่างเราพ่อคุณแที่ต้องปฏิเสธกันก็เลยก็เป็นกรรมของเขาแล้วกันเราก็ไม่ได้รังคับเขาเราจะดูแลเราก็เรื่องของเขา ยิ่งดีๆเขาอาจจะได้บุญจากการดูแลเราก็ได้เพราะว่าความกินเขาไม่ต้องดูแลเราแล้วเพราะว่าเราโตแล้วเราเลี้ยงดีเราได้อาจจะนี่เรากลับมาเป็นคนที่เป็นเหมือนเด็กแล้วเขามีความจริงดีที่เรายดูฟางเขาเรื่องมาดูฟางเขาก็มีความถูกกับการี้ยงดีเราเขาก็เป็นบุญเป็นคุณสมบัไปเรามองในแง่ดีแล้วเรากลับเป็นเพศที่ทําให้เขาได้ทํำบุญตอบแทนก็ได้ เรื่องความเจ็บนี่ก็ได้มันก็ต้องเจ็บด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเจ็บมากหรือน้อยแต่ความเจ็บนี้เราก็สามารถเกลดนับได้ด้วยการนั่งสมาธิเป็นนานเวลาเราเจ็แล้วก็พยายามทำใจให้นล่งให้สงอย่าไปวิ่งวายที่ความเจ็บมันก็จะไม่เก็บมากมันจะเก็บเพียงครื่องเดียวจะเจ็บที่ร่างกายแต่มันจะไม่เจ็บที่ใจถ้าใจไม่เจ็บแล้วร่างกายจะเจ็น้ากขนาดไหนก็ไม่สําคัญ ความเกลียดที่มันมีแรงกว่ามนเกลียดที่ใจเนาเวลาใจเรากลัวความเกลบเนี่ยมันมันทรมานมากกว่าความเกลบยดแต่ถ้าเราไม่กลัวความเกลียดขยันแ้ความเกลบยดมันจะไม่ทรมานใจในความเกลียดนี้เราก็สามารถที่จะแก้ได้ด้วยการนั่งนั่งสมาธเราก็ปล่อยให้มันเก็ียดไปมันเกลบนี้ปแลวปล่อยให้มันเจ็บยดไปอย้าไปสนใจกับมัน เรารับมันเหมือนกับเรารับเสียงที่กําลังดังอย่นี้ถ้าเราไม่ไปรังคาเสียงนั้นมันก็ไม่มาทำสร้างความทุกข์ใให้กับเรากามเจ็บของร่างกายก็จะเหมือนกับเสียงนี้มันจะเจ็บเมืถ้าเราไม่ไปรังคากําลังไม่ไปกลัวมันไม่ไปอยากให้มันหายมันก็จะไม่มาทําให้เรามีความทุกข์ใจมันก็ไม่ทํารย์ใจดังนั้นถ้าเรารู้จักวิธีปฏิบัติกับความเจ็บของร่างกายเราเราจะไม่กลัว ไม่กลัวความเจ็บที่จะเกิดขึ้นในขณะที่เราจะตายเพราะเราผ่านมาแล้วเราได้รดู้จักวิธีปฏิบัติกันมาแล้วเราปฏิบัติเพราะไม่ต้องการให้เราไปบังคับที่มันหายไม่ได้ความเจ็บทงางร่านกายแต่เราห้ามความทุกข์ทรมารย์ไม่เกิดขึ้นได้ถ้าเราทําใจให้สงบนี้ถ้ายอมรับกับความเจ็บทงางร่านกายไม่ไปปฏิเสธไม่ไปรังเกียจไม่ไปอยากให้ความเจ็บนั้นหายไป ความทุกข์ทรมานใจที่มุนแรกว่าาเจ็บปวดข่างกายอีกหลายเท่าก็จะไม่เกิดขึ้นในใจของเราเราก็จะตายไดอย่างสงบตายอย่างได้อย่างสบายแล้วถ้าเรารู้ว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของเราเป็นเหมือนสมบัติชิ้นหนึ่งเป็นเหมือนเสื้อผ้าชุดหนึ่งที่เราเมื่อมันถึงเวลาที่มันขาดเราต้องโยนทิ้งไปแล้วก็ทิ้งมากันไปร่างกายนี้มันก็เป็นเหมือเสื้อผ้าชุดหนึ่งนั้นเองเมื่อมันเก่าแล้วมันจะขานก็ทิ้งมันไปเท่านั้นเอง ใจเราไม่ได้เป็นเราใจเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเ้าใจเราไปกลัว ท, ทำไมไปทุกคนกับมันทำไม น, น, นี่คือปัญญาถ้าเรางห็้ว่าร่างกายกใจนี้เป็นคนละศูนยกันเราต้องแยกใจกับร่างกายออกจากกันให้ได้เราต้องบอกว่าเราไม่ใช่เป็ร่างกายเราเป็นใจเราเป็นผู้คอ ย, อยดูแลรักษะเป็นผู้ปกครองของขอ ง, ของกายนี้วันวันวนึงเราพามันไปทำนีท่ทำนี่ พามันไปอาบนะ้ำามันไปกินข้าความในไปทำธุระต่างๆพามันกลับมาหลักน้อยถ้าทำอย่างนี้อยู่ทุกวันทุกวันแต่เราไม่รู้ว่าเราทํามันไปเรากลับไปคิดว่าเราเป็นมันปัญหาอยู่ตรงนี้เราต้องแยกมันออกมาว่ามันไม่ใช่เราเราคือใจเราเป็นผู้สั่งการเราเป็นผู้พระเป็นผู้ปกครองมันุษยทีมันเป็นเหมือนลูกเราเนี่ยร่างกายนี้เป็นเหมือนลูกเราทุกเราทุกวันก็ต้องตายจากเราไป แต่เราไม่ได้ตาใจเหมือมันถ้าเราเข้าใจหลังนี้แล้วเราจะไม่กลัวตายแต่เราไม่มีใครสอนไงอนมาก็คิดว่าเป็นตัวเราของเราร่างกายมีข้อพิจารณาตัานๆเพียสอนแต่ขนาดสอนแล้วบางทีก้าวก็ไม่เข้าใจมันต้องปฏิบัติเองถึงจะถึงจะเข้าใจและถึงจะสามารถมาอธิบายให้ฟังได้ ถ้าไม่งั้นจะอ่านใจสวะกับเพตมาหน้าตาลูกปางน้าตามันก็เป็นเป็นเหมือนคำพูดเฉยๆคำพูดล่องว่าต่อๆฟังงั้นมันก็เป็นกระแสร่างกายไม่ของเราได้ยังไงมันเป็นของเราตั้งแต่เราเกิดมามันก็มีร่างกายที่อยู่ ก, กับเราตลอดก็เพราะเราไม่เห็นกายของเราเราไม่เข้าใจว่ากายของเราเน่มันเป็อนอีกส่วนหนึ่งเป็นเหมือนน้าที่มันเข้ามาอยู่ในขวดน้าน้ำกับขวดน้ำมันคนละส่วนกัน ใจนีมยยันเหมือนกับน้ํำที่มันใสสะ อ, าะอ่าดละเอียดจนทั้งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ว่ามีใจยยมันจะได้มีความคิดมันจะได้มีผู้ที่สั่งการให้ ท, ทำอะไรสั่งการกับร่างกายนี้ที่เรามาไปไหนมาไหนตลอดเวลานี้ใจเป็นผู้พามาเป็นผู้ปกคอรองเป็นผู้สั่งการให้มาเรานักหมายกันมาก็ใจเป็นคนนัดหมายลราต่างมาผ่านทางร่างกายพูดเอามาทางปาก นักกันไว้ว่าจะมาที่นี่วันนี้วันนี้นะพอถึงเวลาใจก็พาร่างกายนี้ขึ้นรถมงของจะมาก็เติมน้ำหน้าเหมือนข้าวน้ำหน้าล่างตาแปลงใจแปลงฟันกินเครื่องกินข้าวอะไรกันเนื้อกันเสียแล้วก็เงินทันใจเป็นผู้พามาเป็นผู้ปกครองกาจไม่ได้แต่ล่างกายแต่กาจได้รู้ใจจะหลงที่ว่าล่านกายเป็นตัวเป็นใจเป็นตัวเป็นตนของใจพอร่างกายเป็นอะไรใจา็ วุ่นวาคือกต่ที่ว่าร่างกายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใจก็วุ่นวายยังไม่ทันเป็นเลยคือแต่คิดกันมาได้ยินภาคเทวเกิ ด, ดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายให้ใจก็ไม่สบายแล้วกระสับกระส่ายมันกระสับกระส่ายแต่ใจไม่ได้เป็นอะไรเป็นกับร่างกายเท่านั้นแต่ไม่มีใครพูดอย่างละเอีอยดให้ฟังให้ยหยแยกแยกให้เนื้อใจกระส่ายเป็นคนรักเก่ยไป ก็มันก็มีอิยเท่ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกนี้คืมันไม่เกิดไม่หยัมันเปนเมในธาตุธาตุเดิมที่มีหหกชิ้นด้วยกันธาตุรุ่ธาตุหนึ่งธาตุนั้นธาตุหนึ่งธาตุไฟนั้ธาตุอากาศ กอย่างที่บอกเหตการณมันมีอยู่ควบคู่มากับกับจักรวาลกับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกนี้มันมีควบคู่กันอยูงตลอดมันไม่เกิดมันไม่ดับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกนี้ไม่เกิดไม่ดับดินน้าลมฟ้านี้มันไม่เกิดมันไม่ดับไม่มีการเปลี่ยนสภาพไปเปลี่ยนสภาพไปกลับไปกลับมาใช่ไหมครับที่ลูกสงสัยก็คือว่าดูว่าเราเนี่นะคะเราฝึก ตัวร <C oughs> ู้คือภาพใจของเราเนี่ยไปถึงรดับหนึ่งพรเอร์เราคือคือเมื่ออานีะยไม่ถึงขั้นโซโดาแต่ก็ได้ฌานได้แ ล, แ, ลแล้วนี่นะคะเราไปพลาดล้วไปทําบาปกบไปเกิดเป็นสัตว์ตรงนั้นเนี่ยนะคะ <C oughs> แต่ต้องไปเฉลยกรรมตรงนั้นไอไอตัวรู้ที่เซ็งอยู่ในใจเราเนี่ยมันมันจะไม่มีการพัฒนาต่อต่มันจะบรรจุไว้อยู่แล้วรอค้นกรรมมันก็เป็นเป็นตัวรู้ที่มันแตกต่างกับตัวรู้มันก็จะเป็นสัตว์ที่ที่ต่างจากสัตว์อื่น จัดบางตัวอย่างภาพยนตร์ที่จัดโรฮิเชียตรงสของเราเล่าให้ฟังสมัยเกิดเป็นหน้าสุดสีลยต้องมีพวกจัดราๆการเกิดความสนุกเพราะมีกระตายย่ายเรื่องอะไรมันนอนอยู่ใต้ต้นตาลแล้วลูกตาลมันหล่นลงมามันก็ตกใจที่ว่าแผ่นดินถล่มทลายมันก็เกิดอาการลิงพาน ตอ่นถามเข้อเห็นก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นบอกแผ่นดินกําลนะังถลง่มไห้ตัวอื่นนั้นก็เตือนตามไปมันไปเจราชสีห์ราชสีห์นี้มีปัญญาเป็นดวงจิตที่เคยได้ทานได้บุญได้ปัญญาอะไรมาก่อนมีความหนักแน่นในทางเหตุผลก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วยื่นการเตืเนี้ยเขาบอกว่าแผ่นดินถล่มเขาก็ถามว่ามันถล่มตรงไหน ก็พาไปดูเหตุการณ์ที่สถานที่นั้นพระราีไม่กลัวแต่โตหงกลัวพอการบอกกายิงถลงนมมันเยะมันอยากจะเข้าใกล้ะพอกลับไปดูก็เห็นว่ามีลูกตาลอยอ่ตรงนั้นร้อยนี้มันหล่นลงมาทั้นนั้นเองแสดว่าราศีนี่นก็เป็นเหมือนโจับนะีเกิได้าันเพ็ญพามีมามีปัญญามีอะไรแต่ก็คาดไมได้ในทำบาต ท, ทำกรรมได้ <c oughs> ก็ยังต้อไปจัดเป็นเป็นเดลาสอด้านเดี๋วพวกช้างกับลิงที่ไปอุปถัมอุกจักรพวกนี้ก็มีน็นพวกที่เคยทำเงินมามถ้าไม่เคยทําินมาจะไปชอบทำเงินได้หรือเล่าเห็นไหมทำไมช้างตัวอนึ่งลิงตัวหนึ่งเขาไม่ทำเลยเพาะถ้ารู้ของแต่ละตัวนี้ของแต่ละแต่ละคาดของแต่ละคนนีมันมันได้ากสมเินบาทมาการกัน ไม่จะไปเกิดเป็นสัตว์ก็มีความต่างกันถ้าถัดหนึ่งบาปแลนะ้นก็กลายเป็นสัตว์ที่มีความโง่ร้ายเพื่ยงหยง่เาาลัดเอาสืดเห็นจากตัวเห็นก็มแต่ที่มีความเมตตาแค่นี้ริงข้าเขาก็เพราเพื่อความสุขเพื่อดับความสุขเท่านั้นเองแต่ไม่เพื่อที่จะหวังมีอํานาจบาปใหญ่ ป, ปกครองจากอื่น นี้เขาก็ยังต่อสู้กันก็มีอัตราตัวตนมากนี่ก็ข้ารู้ทั้งนั้นถ้ารู้ก็ไปไปไปเอาธาตุดินน้ำมันไฟมาเป็นสมบัติและรูปร้างต่างๆศาสตร์ก็มาจากดินน้ำลมไฟคนก็มาจากดินน้ำามไฟในของพวกนี้มันมีอยู่มาจากดั้งเดิม ตามหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยนว่าไม่มันมันไม่มีใครสร้างมันไม่มันไม่มันมันมีอยู่ของมันอย่างนั้นอ่ะมันเป็นอจินใจเดี่ยไปสนใจล้วมันใครสร้างมันมาได้อย่างไรูว่าเราก็นั่งธรราไปเรื่อยๆ่ง้ไม่หัไม่ฝันแยกใจแล้วก็ไม่ กาใช้ได้แล้วตอบตัวเราไม่เสียดายสมบัติไทยนอกก่อนภายนอกมันมันมันมันง่ายกว่าไทยในแต่ถ้าถ้าถ้าสามารถปล่อยวางร่างกายได้มันก็จะปล่อยวางทุกอย่างแต่มันยากกว่าให้เลือกระวังเสียสมบัติจะเสียชีวิตเนี่ยเราจะเสียอะไรนะเลือกระวังเสียเงินกับเสียแขนเป็นข้างนี้เราจะนัดจาะไรอย่างนี้ก็อ เวลาก็ต้องเสียสมบัติภายนอกก่อนเสียลูกก็เสียวัาเราเราจะเสียอะไรกนก่อนให้ลูกไปก่อนดีกว่าเพราถึงวลาจริงเราก็วักลูกกว่าตายก็อกขออยู่ก่อนลูกไปก่อนก็ได้นอกจากแม่ที่ที่มีความเสียสละมากจริงๆอันนทุกประการแม่บางคนก็ยอมตายแทนลูกก็มีแม่บางคนก็ให้ลูกตายก่อนก็มี จนคลอดออกมาแล้วจะจับแต่งตังวก็จะติดมันขึ้นมาเลยถ้าอยู่ก็ต้องลำบากเลี้ยงดูเหนืยากตัวเองเลี้ยงตางเลี้ยงเท้าเลยยังไม่รอดแล้ว้ามีลูกขึนมาองก็ต้องตัดจิตใจเรื่องก็จะต้องเลี้ยงไข่ก็ต้องเอาตัวรอดก่อนแม่พวกนี้มางทีเอาลูกไปทพิ่มเมื่ตามท้องงานเพราะตัวเองม่มีปัญญาทุกอ่างทุก่างเลียงได้แต่ก็ยังดี มันคือไม่ถือใจ้องนคนเล่นเอาจับใส่ถุงมัจะติดมันโยนลงน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่จิตใจของของแม่คนนั้นว่าเขาได้มีบุญมีบาปมาติดโจมากมากเิถ้าจิตใจเขาทำบาปมามากเขาก็คิดว่าการฆ่าเป็นเรื่องธรรมดาฆ่าก็อยู่ว่าแต่ถราหน้าที่มีจิตใจสูงกว่าก็าจะ ก็จะข้ามไปเลยหรือก็ถ้าสูงมานั้นก็ยอมยอมเลี้ยงลูกอดทนเลี้ยงกันจะตายก็ขอให้ตายด้วยกันถ้าอดก็อดด้วยกันแต่จะไม่ไม่ไม่เอาตัวรอดหรืแม่สูงมานั้นก็ยอมตายเพื่อรูกยอมลำบาบกพรู้ก็มีมีหลายระดับจิตใจเล้ก่อนเจ้าหน้าที่ที่ที่ถูกคู่ที่ถูกเนี่ย เมื่อก็ทำหนังมันเหน่ติดตรงนั้นามไม่มีเกิดความโกรธความเหวาได้เช่นกันใชไม่รู้ว่าคำนต่างหรือว่าแต่คนั้นยังไม่อยู่ในในสภาพที่จะรับได้ยังไม่ไม่ยังไม่เรียนกาเพาะกรรมกาอันนั้นของแม่ก็เป็นกําที่แม่สร้างขึ้นถ้าเป็นกรรของแม่ที่แม่จะต้องไม่ใช้เองในส่วนลูกก็ถือว่าเป็นใช้กรรมเก่าของตนที่เคยทำมา แต่คงไม่จำเรป็นจนได้แต่ถ้ารู้ก็จะ็ำเรปยนกำรด้ตัวองค์ น, นี้ไม่ดีกั่เร า, าจะสอบได้เจนข้างหน้าก็จะมีควารู้สึกไม่ดีต่อกันมันต้องอยู่ที่ที่รู้ไม่รู้ถ้ารู้มันก็จะเกิดมีเจตนาขึ้นมามีควมีความคิ สังขางจะต่างกันนะเราจะรักรือจะทำกับคนนั้นกับคนนี้แต่ถ้าไม่รู้นี่หนูจะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้คไล่เด็กขาดก็คืออย่างนี้รู้อยากถามอยากถามเกิดจากกันหมดใช่ไหม เป็ได้เลยได้เลยคราวนี้พักถวายของก่อนก็ได้นะแล้วอยากจะคุยอะไรก็ได้นะในพินีงานร้างกายคราวนี้จะธีรู้เติมเติมล อ, อแล้วคทานีก็ได้พยายามเอาไปเผาเอางน้ดนึนกันนิดนึงนะคะแต่ในขณะที่ทำสมาธิแล้วก็รู้เึกว่าทำไมออกไฟ เขามแต่มันไม่ร้อนเลยมันอันเย็นอันนี้จะเปนหน้าของฟันใจมันไม่ร้อนมันมนระดับไฟมันราดับไฟในใจเราไฟนอกมาดับไฟในมันเราพเมื่อกี้ท่านจะอธิบายแล้วเราก็เข้าใจจริงจริ ในส่วนหนึ่งยอมรับสภาพมันแต่พอจริงๆในติ๊กดูในความจนตออเพราะแค่ๆว่าเหมือนกับว่ากลัวในการว่าถ้าเปิดผลพิสูจน์ออกมาว่าเป็นมะเร็งเนี้ยจะต้องทำาคมีแล้วไม่อยากใจตรงนี้สู้มากเลยเพราะว่าบอกว่าถ้าพระมาะเราจะได้ไปหาพระเลยวันสู้ขนาดที่ว่าอกว่า เราจะไม่ทําการรักษาเลยเพราะเราจะไม่มีโอกาสไปกราพระเลยถ้าอึมเลยมันสู้ไปจนเหนื่อยจนทัถ้ถึงมันจนกรอกและยอมวางลงตรงนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออในการพิจารณาความตายในตอนแรกยอมรับในตรงนั้นแต่ในการพิจารณาความเจ็บเราไม่ยอมรับเราฟู้ไปมันเหนื่อยตรงตรงตรงนี้มากแต่แต่สุดท้ายก็รักมันอยู่ก็ อ, อยู่ที่ผลเนี่ยมัน<ห>มันยอมรับได้ก็สงบตัวเอง มรับไม่ได้มันก็ยังไม่ไมเกิดมันยังต่อต้านมันอย่างมันก็ง่ายบางอย่างมันก็ยากเมาเปนง่ายมาเนขยะเกิดยากเป็ง่ายแล้วก็ต้งู่ไป ก็งงก็งงคือว่าการที่เราไปคิดว่าถ้าเราถ้าเราทำการรักษาเนี่ยแล้วหัวทการราจะไม่ได้พบคูมิใจกันเลยไม่เป็นข้ออ้างให้เราสว้ใลูกก็มองไปถึงตรงนี้เลยนก็เหมือนคุณครูคาทำงานแต่แต่ก็แต่ก็หยุดการรักษาแล้ก็ไปอยู่วัดสามเดือนสีเดือนาจารย์ก็ต้องให้ความ่วยาจรย์มุไปทางนะไไม่เอาร่องการกายล้ว่างกายถอว่าจบลว รอมรับความจริงแต่ทางใจดีกว่าพยายาให้มากที่จะรณาให้มากตรงตัดให้ได้ให้มาก <Yeah. S 1> มันจะมีคุณค่ากว่าเพราะมันจะได้ม่เป็นปัญหาข้ามชาติ <Yeah. S 1> ปัญหาที่มันยังข้างอดีย ใ, ใจมันก็จะข้ามไปมันก็จะติดตามไปในปัญหาทางข้างกายมันก็แค่ชา้ินึง yeah. ร่างกางเนี่ยเป็นไงก็ป่อยมันมันไปมันก็จบแต่เราไม่ปล่อยใจมันก็เป็นปัญหาคาใจมันก็จะท้าไปท่ากลับไปออกไปได้ร่างกายมันมันก็จะกลับมาที่เดิมนีกเดี๋ยวเจอเปัญหาเดิมนีกมันก็ต้องมาเจ็บไา้ได้สวนก็ต้องมนมานามาปงกันอยูไม่ปงวันนี้ก็เลยมาโ ป, ง ว, นนาปงวันนี้โปงวันไม่ได้มันก็จบไม่ต้องมาโป่ปง กลับเรียนท่านอาจารย์มาเพราะรู้ว่าท่านอาจารย์บอกว่าข้างนี้หายข้างหน้าอาจจะตายเพราะคนตอบเราเปนได้ <c oughs> อย่างนี้นะญหาหนึ่งที่ใจไม่ดีที่ร่านีเกี่ยวกับการที่ว่าได้าวนามาเยอะๆไม่ ข, ขาดแต่ไม่ได้ทํทารรมจิงเนถง จ, จะรู้ว่าต้อทตอย่างระวหรือว่าไม่เกี่ยวกันต มัน้แต่ว่าเราเคยทำมาหรือเปล่าเราเคยทำอะไรบิ่นตอนเราได้ฟังก็เ้วก็จะเข้าใจแล้วก็กลยทาได้ง่ายทำได้เลยถ้าไมา่เคยทำมาถงก็ต้องมาย่าดหมก่นก็จะจยากแต่เราควรบงค น, นคอยเคลื่อนทั้งเดียวก็มรรู้ได้เพราะเหมือนกับว่าได้ได้ได้ไฟได่ไฟมาจุเชื่อกับ คือมีแล้วให้ลุกขึ้นมาถ้าไม่มีเชือเก่าสิดไฟยังไงก็ไม่ลุก้มพอาะมันไม่มีเชือกเก่าไว้หลังนะก็ต้องราสร้างเชือใหม่ขึ้นก็ต้องต่อไปเรื่ตยๆที่พุทโลพุทโลพุทธโลภาวนาไปก่อนจนกวิาจะสงดแล้วกบบุทกาญยานิชันพุทธาญานิพพานเรื่อยมันก็ปล่อยวางไปเรื่อยๆตามยันดา ถ้าเกิดตายไปก่อนก็ไปขอชาติมาจะไปทำตอบถ้ามีคนที่มาส่งต่อมันก็จะมาเกิดภัยกับนี้เกิดขึ้นถ้าไมนมีใครมาสอนก็อาจจะหนึ่งเพื่อที่รอภัยไปก่อนมันจะเกิดในสมัยที่ม่มีพระพุทธศาสนาหรือไม่ได้ไปเจเหตุการณ์ที่ไปทําให้เกิดเชื้แพห้ไฟเกิดขึ้นบางที่ไม่ต้องมีคนสอนก็ได้จะเป็นเห็นเหตุการณ์เพื่อจะเห็นความตาย ของคนนั้นของคนนี้นัน่นหมาก็จะกระตุ้นให้สัญญาจากผู้มีในจิตที่เราใช้พลังานทางกายอยูอ่แล้วก็ให้ให้ให้ตื่้แต่เราตอนที่เป็เนเด็กๆยัเคยอยู่ราม่รู้สิตสองขว่ยกไปเห็นเพื่อนที่เลวหรือเปล่าเรียนเยวไปฆ่าตายไปาล า, เากเา เงียบจบก็ต้เสติให้เป็คารวาจแล้วก็นองชุดสชุดเชิ้ตนอกอรอย่างนีแต่หน้าตามันก็เหมือนกับมืก็เหมืนคนตายเลยวแล้วมันมีในใจมันก็ผุดขึ้ น, ม, นมาขึ้นมาแล้วเราตอบไป ก, ก, ก็ต้องเป็นเหมือนเขาคนนั้นคนนี้ก็ต้องเปนเหมือนกันทุกคนพ่อแม่ปู่ยาตายายคนที่เรารักคนที่เรา ห่วงใยก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันงั้นก็เลยพิจารณาไปเรื่อยๆเหมือนได้เหมือนกันได้ตามงันก็พิจารณาไปเรื่อยๆจนครับงจะรู้สึกเฉยๆต่อการเป็นการทายของคนอื่นในสับของตัวเราเองมากว่ายังไม่ยังไม่หายจากความกลัวตายพ่อมันยังไม่ได้ไปเจ อ, อประสบการณ์ที่จะทําให้เราต้อ ง, ง่งแต่อย่งางนั้นมันก็งงในทางทฤษฎีว่าเราก็ต้องตายเหมือนกัน ม, มันก็มันก็ ม, มีมีเชื่อที่จะเปลี่ยนวัตกรรมในทารนีแต่ยังไม่ได้ยังยังไม่ได้เถึนขัน้นเรี่กว่าตรงได้ร้อยเป็นแต่พอมีมีมี ม, ม, มีมีความรู้ที่จะรองรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นสัญญาเป็นางะสัญญา ท, ที่เป็นทางทิจสี ถ้ามันยังไม่ถ้ามันยังไม่ได้ปล่อยวางไม่ไม่ไม่หลุดพ้นก็ยังเป็นสัญญาอยู่เป็นจิตระมียาสัญญาอยู่ถ้ามันเป็นภาวนามยปัญญามันก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยจะตายเมื่อไหร่ใครจะตายเมื่อไหร่เราจะตายเมื่อไหร่จะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ยังกล้าจุดใจยังไม่ท้อจะตายก็ไม่ามเป็นคนตาย ดังนั้นการจะหมายความว่าเคยเป็นโสดามันมาแล้วนะเขาก็ต้องมาพิจารณาทางด้านเนระื่องอาสุ่าต่อไปเพื่อจัดความยุงดีทางการมลาลาคตต่อไปคือเรื ค, ค, ความกลอไฟนะคะคือปกติลูกตั้งแต่เด็กก็คือกลาคืนมันจะตื่ขึ้นมาแล้วก็ที่สุดตัวไปจะตายแล้วก็ แล้วก็ไม่รู้ว่าแล้มันจะไปไหนแล้วพอตอนหลังมันก็คือนานๆครั้มมงมันก็จะตื่นขึ้นมาแบบนี้เรื่อยๆจนกระทั่งโตขึ้นมาเราได้แล้าค่ะแพทยก็ก็ไม่ค่อยเกิดแล้วมีอยู่เพื่อนก็เกิดขึ้นใานี้อีกแล้วก็รู้สึกก ล, ลัวจนกระทั่งเจ็บล้าข้างในกระโหลกเราก็บอกตัวเองว่านี่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆถ้า ถ้าเราเรียนไหวแต่เกิดอยู่นี้ก็จะกลวอยู่นี้พยายามบอกว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมในที่สุดแล้วในความอย่างที่ถูกต้องความกังวลก็พยายามยกมาเป็นข้อพิจาจรนาค่ะก็ควรพิจารณาว่ากายที่กำลังกลัวอยู่นี้อใจที่กำลังกลัวอยู่นี้ไม่ตายใจเป็นธรรมชาติที่ไม่กายไม่เกิดไม่ไดับ ส่วนสิ่งที่เกิดที่ดับนี่ไม่รู้เรื่องคือร่างกายนี้นม่ม ร, ร่างกายเป็นเหมือนวัตถุชิ้นหนึ่งวัตถุนี้เขาไม่รู้เขาเขาเขาเป็นอะไรอย่างไรแต่ใจที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องไปยึดไปติดกับต้นต้นนั้นต่างหากที่จะวุ่นวายอะไรกับเขาเลยร่างกายจะแต่จะดับจะจะแก่จะเจียบกล้ได้ป่วยเขาก็เป็นของเขาไปตามปกติของเขา เขาไม่รู้เรื่องกับการเขาไม่มีธาตุรู้ที่จะรับรู้ความความเปล่ไปของเขาแต่ถ้ารู้คือใจนี่ไปรู้แต่ไปรู้ด้วยความเหลนงไปรู้แล้วเกิดความอยากไม่ไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ตายจึงเกิดความคิกขึ้นมาถ้าอยอม น, นั้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและห้ามไม่ได้ไม่ไปเสริญกับความไม่ไปเกิดความอยาก ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้มันก็จะไม่รู้สึกก ร, ระทบกระทันหมดเลยกับาาาการแก่การเจ็บต่างๆแล้วเรากพิจารณาแยกแยะทั้งสองส่วนแล้วร่างกายต้องเป็นอย่างนี้แต่ใจที่วุ่นวายอยู่ขณะ น, นี้ไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเลยเหมือนการร่างกายร่างนี้เหมือนการร่างกายของคนอื่นคนอื่นเขาเจ็บใกล้ได้ป่วยอะไรเราไม่รู้สึกเดือดร้อนเหตุนใดร่างกายนี่เราก็ต้องไม่รู้สึกแบบนั้น พิจารณาให้เห็นว่าร่างกายของเราแต่ของคนนั้นที่เราไม่เดือดร้อนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกันไม่ได้เป็นของเราทั้งสองของอันร่างกายของคนนั้นก็ไม่ใช่เป็นของเราร่างกายอันนี้ก็ไม่ใช่เป็ของเราเป็นแต่เราไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็นของเราเท่านั้นเองเหมือนกับที่ของผืนที่ผืนหนึ่งเป็นของคนอื่นที่นั่นจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่เดือร้อนแต่เพื่อที่ผืนนี้เป็นของเรานีง เราเราเดือดร้อนถ้าเกิดใครจะมาแย่งจากเราไปเราจะเราจะเดือดร้อนใจเท่านี้แต่มันก็เป็นที่ของแปลงเหมือนกันแต่แต่ว่าแปงหนึ่งเราไม่ได้ไปถือว่าเป็นของเราอีกแปลงหนึ่งเราไปถือว่าเป็นของเราแปงที่เราไปถือเป็นของเราก็เป็นปัญหากับเราทันทีถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับแปลงนั้นร่างกายของอันของร่าง น, นี้จะเหมือนกันร่างกายของคนนั้นเราไม่ได้ไปถือว่าเป็นของเราจะเป็นอะไรเราก็ไม่เดีอดร แต่ร่างกายอันนี้เรามาถือว่าเป็นของเราเพราะเป็นอะไรเราก็เดือดร้อนขึ้นเพราะเพียงแต่คิดว่ามันจะต้องเป็นลราก็เดือดร้อนละคือเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ต้องเดือดร้อนถ้าเราดมอาให้เห็นว่ามันไม่ใช่อของเรามันก็เหมือนกันร่างของคนอื่นมันมาจากดินน้ำลมไปมันจะแก่เจ็บตายไปด้วยกันเหมือนกันเมื่อเราไม่วุ่นวายไม่ไม่เดือดร้อนกับร่างกายของคนอื่นเราก็ไม่ควรที่จะ เีลือน้อยร่างกายกัร่างกายอันนี้ที่เรียกว่าเป็นของเรานี้เพราะโดยความจริงมันก็ไม่ใช่เป็นของเราเหมือนกันงั้นต้องพิจารณาอย่ น, ยนี้ต่อไปมันมีอีกส่วนหนึ่งค่ะท่านคือมันเป็นความกลัวในสิ่งที่ใจจะต้องค้องไปข้างหน้าอีกนั้นก็ถ้ามันจะกลัวก็กระลึก รีบรีบหยุดการท่องหยุดรีบรยุดมันเยลยเาหยุดได้เราภาวนาะทำจิตให้สงบ ล, ล้วก็หยุดมันได้แล้วตัดทบตัดเราปล่อยวางต่างๆได้สิ่งต่างๆได้เราก็หยุดได้เราทาได้เราไปกลัวทัณหาการกลัวเฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์เราเพี่งแต่จะสร้างความทุกข์ให้มาให้กับเราโดยกล่าวไปอยู่ แลเราต้องอย่าปล่อยให้อารมณ์มันลากพาเราไปแล้วต้องมีสติพอจิตมันเรื่องเทอเจอละคิดเรื่องเทอเจอแล้วก็หยุดมันซะหนึ่งมันกลับมาถึงความจริงมันกลับมาอย่างน้อยก็หยุดความคิดนั้นก่อนด้วยการมีสติหยุดมันถ้ามีสติแล้วมันยังไม่หยุดมันยังกลับไปคิดอยื่ก็ใช้บริกรมรมทุกโธ้แทนเดสกคนมนทุกโต้ไป เราจะพิจาราบทใดบทหนึ่งที่เราเคยใช้เป็นหลักเราพิจารณาไปก็ได้ว่าสิ่งทุก อ, อย่างในโลกนี้มีแค่ธาตุหกชนิดเท่านั้นเองมีนน้ำลมไฟมีใจมาประสมกันเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นอะไรต่างๆรวมกันแล้ ว, ลวเนี่ยก็แยกกันวน่เยเรากลับมารวมกันใหม่ก็มีอยู่แค่นี้พิจารณา น, นี้ไปอยู่ดีมันก็มันก็จะนำเอาไปถามคิดเต่าคุ้งซานที่ไม่ได้เห็นมีอยู่ม เมือนอเราเปลี่ยนช่องโทรทัศน์มาดูเท่านี้แล้วช่องโทรทัศน์ยังมีไม่มีสาร ะ, ะไรยเรื่องเก้อแล้วก็กดกดมีหมวดเปลี่ยนช่องไปดูช่องข่าว ช, ช่องสาราคณิที่มันมีมีประโยชน์อะไรไปนี่เราก็เปลี่ยนใจแล้วก็เหมือนกับเท่าเหมือนกับโทรทัศน์มันมีหลายช่องอยู่ที่มันจะไปไปไปไปขุดอยู่ในช่องไหน บางทีไปช่องเที่ยวช่องดิผมก็จะคิดว่าที่นั่นดีที่นั่นน่าเที่ยวที่มี่น่าไปพวกที่ชอบกินก็จะไปขุดช่องอาหารมีอาหารเงินที่มีหน้าไปครับสรทานก็ เ, เป็นพวกทำกํำนาองมีวัดนั้นมีวัดนี้มีครูบาอาจารย์เราก็เราก็เปลี่ยนชท่าได้เราสามารถคิดได้แต่ในเรื่องที่ แล้วถ้าเราใคยจุดบังคับใจให้คิดเป็นเราสามารถจะควบคุมความคิดเราได้ถ้ามันต้องคิดเทอะเจ้าเราก็บอกให้หยุดเถอะอย่าไปคิดเลยเทอะเจ้คิดเรื่องที่มีสาระดีกว่าคิดเรื่องเกิดแก่สิ้นกายคิดเรื่องอนิจจ์ทุกขังอนัตตาดีกว่าคิดเรื่องอาลัยาสตร์ทุกเกิดเพราะอะไรทุกเพเกิดจากความอยากต่างๆเกิดจากความหลงทุกกระดับได้เพราะอะไรทุกกระดับได้เพราะปัญญาเพราะเห็นว่าไม่มีอะไรถึงต่างๆในโลกนี้ที่หน้าหลงหน้ายินดี มีเพีเดียวที่หน่ายีนดีก็คือความสนงบนะครับของจิตใจนี่ก็คิดอย่างนี้ป้ามันก็ตัดไปได้นะเป็นความคิดต่างๆที่มันไม่ไม่ไม่มีเหตุไม่มีผลต่กังวลทํามานเกี่ยวกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะไปห่วงไปเสียดายอะไรกับอดีตที่มันผ่านไปแล้วมันทําอะไรไม่ได้ทั้งสองส่วนอดีตมันผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วอนาคตมันก็ยังไม่เกิดมันก็ม่มันไม่จําเป็นจะต้องเกิดตามที่เราคิดเสมอไป พอเราสามารถถักเสี่ยนมันได้ในปัจจุบันนี้อนาคตนี่เราควบคุมได้ด้วยด้วยการกระทําในปัจจุบันนี้เพราะผมในอนาคตนี่มันเกิดจากการกระทําในปัจจุบันกันเราเราอยากจะให้อนาคตดีเราก็ทำดีดีดำเนินภาวนาอย่ามักสลุนิทานมันก็ลอยมาเองถ้าเรานั่งคิดนั่งกังวลอย่างนี้มันก็ไม่มาหรอกมันก็จะมีแต่ ตายพบมาหาเรา่เ <c oughs> ยนวาตายเฉิอยู่เ <c oughs> รื่อยคือีสักปีเคือพอแล้วเปฏิบติแวคิดว่าตนเองแโทโทรแ็เอ๊ะอถึงวันหนึ่งนะ<ช>จารถอยูเ่เฉยๆนะครัรถเป็นวิง่งเข้ามาหาเแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องทำยังไงที่เราเราก็เห็นรถวิ่งเข้มาเฉยๆเนี่ย โดยที่เราต้องบังคับว okay? ่าจะถูกเจาะเป็นเกล็ดใสแกงแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเขาเห็นตรงที่บ้างเขาก็เลยเบ้มาแล้วมันเหมือนกับตั้งหน้ากับคนเราเลยอะแล้วเขาก็เบ้ออกในขณะนั้นเราควรจะทําังไรไม่ให้เกิดความกลัวเราก็เห็นมาชวนก็ชวนด้วอกชวนก็ชวนด้วยเขาเลยกลัวก็ต้องกล้าอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเกิดก็เกิด เราเนี่นิ่งไว้ทำงานกำหนดไปให้รู้ตัวว่ากาลังจะชนี้ให้มีสติดูอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วดูปฏิปิริยาของจิตเราในขณะที่เกิดเหตการนั้นถ้านิ่งเฉยได้ก็ไม่เป็นร่างกายจะเจ็บจะปวดจะหยุดมงมหายใจไม่มีสติรู้อยู่ไม่หวั่นไหวก็ไปดีเลยไปนิพพานเลยก็ได้ก็ได้นะดูที่ใจตัวเดียวรักษาใจตัวเดียวด้วยสตินี้เท่านี้จะให้ใจตื่นจะให้ใจสงบ อยให้ใจพูดวายให้นิ่งเฉยเมื่อเราดูหนังผีหนังอะไรเนี้ยเป็นเหมัอนเหือนหนังแท้ชีวิตของเราเนี่ยใจเป็นผู้ดูแต่ใจเชื่อเป็นของจริงภาพนั้นมาติดอยู่ที่หนูมาตอนนี้มันเป็นสัญญาติดกันไปอืมอ่ะก็ดีก็เอามาเป็นเป็นสัญญาเกินสติว่ามันเมื่อเราจะตายมันก็เริงเป็นอย่างนี้แหละแล้วเราต้องฝึกใจของเราให้รับภาพนั้นได้ไม่ถึงภาพนั้นเราใจของเรานี่ยเฉยไม่หวั่นไหวได้ ก็เป็นสัญญาเป็นเป็นเป็นร้อนมรณะนิสติกไปซึ่งเป็นภาพที่มีคุณในทางวิชาการเพราะมันเป็นภาพเหตุการณ์จริงที่มันผ่านไปแล้วแล้วก็ควรนามันจเจริญไปเรื่ อ, อ <c oughs> ยๆม <c oughs> ั <c oughs> น, จ ะ, <c oughs> นจะียังจะลบยังจะลบยังจะไม่น่า <c oughs> นต่แค่คนที่ผ่านอุบัติเหตุใกล้ตายแล้วรอดตายมาเนี่ยเขาจะมี ทัศนคติกับชีวิตที่ต่างกับคนที่ไม่ได้ผ่านเลยเขาไม่ได้เกิดใหม่ถ้าก็มีปัญญาก็มีธรรมะเป็นพื้นฐามเองก็จะปลงได้เพราะในที่สชีวิตกแค่นี้แต่ถ้าไม่มีปัญญาเขาก็มีถ้ามีความเหงาเขาก็คิดว่าได้มีโอกาสใหม่เขาต้องรีบไปหาทางจุดใหไปเที่ยวใหม่ไปเล่นใหม่เพราะก็เลยได้สองทางเหมือนกันหรือที่ว่าเราจะใช้เหตุการณ์นั้นมาใส่ ให้เกิดประโยชน์ในทางเกิดในประโยชน์ทางธรรมะก็มาปองอยู่เรื่อยเมื่อให้ใจไม่ให้หลงระเริอยู่กับการมีชีวิตอีู่ให้ไม่ให้หลงระเริงกับการหาความสุขซึ่งจะต้องมีจุดจุดหมายปลายทางเพื่อการขึ้นสุดลงในวันใดวันหนึ่งแต่ถ้ามีความหลงอยู่มันก็จะไม่คิดอย่างนั้นมันก็คิดว่าเหมือนกับว่าได้โอกาสใหม่จะต้องรีบจับจงช่วยโอกาสหาความสุข อย่างนั้นก็ไปตามทางเดิมเมื่อเดี๋ยวก็ต้องไปเจอแบบเดิมอีกพอถึงวีนจอตอนนั้นก็ไม่มีสติสตังที่จะรับกเหตุการณ์นั้นก็จะวุ่นวายเดือดร้อนไแต่ถ้าเราเราไม่คอยเปลี่ยนสติคอยสอนใจอย่เรื่อยๆว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้อีกแล้วเราจะต้องทําใจของเราให้นิ่งให้สงบไม่ให้หวัน่นไหวไม่ให้หวาดกลัวนเราจะผ่านไปได้อย่างสบายมีความสุขเวลาอยู่ก็มีความสุข ไม่หวาดกลัวกับเหตุการณ์ใดๆที่จะเกิดขึ้นพรเรารู้แล้วเมื่อมันเกิดขึ้นเราจะทําย่างไรกันหนั่งเหมือนกันนกบที่เท้าซ้อมเวลาซ้อมดับเพลิงหนีเพลิงหนีไฟถ้าไม่เตรียมการไว้ก่อนจะเกิดไฟไหม้เนี่ยมันโอมานกลัวลาหุ่งไม่รู้จะขึ้นข้งบนนี้หรือลงข้างล่างดีแต่เวลาถ้าเราได้ฝึกหนีไฟไว้ก่นพอเราถึงเวลาเราก็จะรู้ออกทางไปทางนี้ไป่างนี้ทางนี้ทางนี้ จะไปได้อย่างสอดภัยใหญ่เราก็ต้องติดตรอนวิธีที่จะประเจิญกับการตาให้ได้ก่อนก่อนที่ตายถ้านึนสอนเราให้ตายก่อนตายถ้าเราตายก่อนตายได้แล้วพอตายจริงก็เหมือนกับเหมือนว่เป็นเรื่องธรรมดาเราท้อ ม, มาแล้วเราผ่านมา้ หลักสำคัญก็อยู่ตรงที่ว่าขอให้เรารู้ว่าใจของเราไม่ตายแต่ของทุกอย่างที่ใจเรามาครอบครองนี้ต้องตายจากเราไปงั้นเราอย่าไปเสียดายของทุกอย่างในเรื่องนี้เมื่อถึงเวลาเขาจะไปก็ให้เขาไปคร้นงนี้เราก็จะไม่รืว้วมันอยู่ที่การเจริญอยู่เรื่อยๆการเจริญไม่ไม่เล็กลดลงมาเรื่อยๆแล้วมันเสร็ มันจะถูกความหลงมามาทําหน้าที่แทนจะทําให้กลัวจะทําให้หวงจะทําให้ห่วงจะทําให้เสียใจแต่ถ้าพาฒนาอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะได้มีไม่มีความไม่สุขนั้นเกิดทึ้นได้เลี้ยงปลาในตู้ปลาไหมคะถ้าไม่ฆ่าเขาไม่บาดเลี้ยงได้เหรอเลี้ยงได้มีแต่ก็เลี้ยงแบบให้มีความเมตตาดูแลเขาให้ดีเขียนร่ำบ่อยๆให้เขาอยู่อย่างมีความสุข เดกชายจะเลี้ยงพยายามบางังบอกแม่ให้เลี้ยงเข า, เาก็จะเลี้ยงะถ้าปล่อยได้ก็ยินดีอแล้วก็จะได้หมดภาระค่่า น, านกา่เ้าป้าเบื่อไปซื้อลูกน้ำมาแล้วก็เราถึงเวาส่งเสริมไหมคะถ้าอ้าถ้าถ้าเหมือนก้าวไปซื้อของเป็นมามานลี้ของก็ต้องอา่หานที่ไม่ใช่เป็นอาหารอันไม่นก็เป็นสิ่งที่ดีดีก็เหมือนกับว่าเราเอาเอามาฆ่าเอาแล้วเราเราจะซื้อของของปลามาแล้วเราต้องจุ แต่เราไม่กินเองเราไปให้กินกินได้ตาตัวกินนะครับถ้าถ้าต้องเลยงก็เกลี้งใช้อาหารที่ไม่ใช่ไม่ใช่สิง่งที่มนชีวิตแต่ถ้ามีได้ก็ปล่อยข้็ให้ไปอยู่ตามธรรมชาติได้มันก็ยังมัอนมืนก็ถูกครั้งอยู่ในกรงเราก็คงไม่อยากจะถูกครั้งอยู่ในกรงเราก็อยากจะแหวกว่าไปตามที่ต่างๆโดยอิสรภาพถ้าถ้าดิฟถ้าทำได้ก็ไปปล่อยด้ยีกว่า อย่าไปไปซื้อก็เลยอ๋ออย่าไปซื้อเลยข้าอันไหนที่มันท้ามได้อย่าไปตาใจเลย <c oughs> บอกลูกว่ามันไม่ดีบอกมันบาปกรรมบาปมันเป็นมันเป็นภาระมัน <c oughs> มัน ไ, ได้ทุกขงังแบบถ้าอยากจะดูปลาเนี่ยนาย้าพาไปดูที่โอเชียนเวิลด์ดูไว้พอถ่ายทายวีดีโอมาอยากจะดูตอนไหนก็เปิดดูได้แต่เลี้ยงสุนัขดีกว่านะ <c oughs> ไม่เล้ยงอะไรเลยได้เลยแต่แต่ถ้าจำเป็นจะต้องเลี้ยงกับเลี้ยงไปถ้าเกิดมันมันผ่านมันมันอยู่ในฐานะที่เราต้องเลี้ยงมันก็เลี้ยงไปเลี้ยงนองถูกนะน้องจานก็เลี้ยงแต่ถ้าไม่ได้เป็นอย่างแค่เลี้ยงมันอ่ะแต่มันก็มีคนมาถวายท่านท่านก็าก็เมตตาท่านอยู่ในฐานะที่ควจะเลี้ยงดูมันได้ก็เลี้ยงไปแต่อย่าไปดิ้นรนไปหาอะไรมาเมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยเป็นภาระ พลัที่มีอยู่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมลังมันมากเกิ น, นี้หาความสุขแบบอย่างนี้นจะไปอยู่วัดดีกว่าเป <c oughs> ็นความสุยอะแยะ่ อันี้ก็เลยเมื่อก่อนนี้เรื่อก็ใส่เป็นที่กำลังใจต่ตอนนี้ก็เลยยากเป็นทั้งวิารมันกำลังใจเลยเข้าไปดูนะดูค่ะนะดูอช่ไหที่อนี้ยากเป็นวิาทรมก็เห็นถึงติด่อติดไแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันแต่ใช้ชื่อไม่เหมือนกันนี มีคนคนหนึ่งเขาเขาได้เล่มแปไม่ไงค่ะเขาบว่าเขาก็ไปดูในเวมมันมีแต่กำลังใจแต่ไม่หมดแต่ไม่มีเจริญธรมนะครับเราเลยต้องบอกเขาว่าเรื่งที่เป็นอักษรสองตัวสีเขียวเนี่ยที่เป็นไหนเรื่องสีเขียวนี้เป็นเจิธรยังไเนี่ยจะสังเกกำลังใจจะมีเรื่ีสีดำกับสีเขียวถ้งแ่นที่เป็นเลสีเขียวนี่แสดงว่าเป็นเจธรมำังใจเนี่ย ในตอนนี้ก็เลยยากหน่อยยากจมยากจิ้มาอยากจะอ่านคติธรรมก็สามารถานถ้าในเว็บไรมฐานอทคเดียวเานักรรมฐานดคอมกลังก็มีไม่มไม่มีแล้มม่ไมมีไม่มีอะไรไม่มีอรกำลังใจเลยไม่มีไม่มีเลยมมีเ่มีไม่เห็นจะมีอะไร ไม่มีละไม่เลยในเล็กสิบเอมีค่ะไม่ได้ใส่เลยนี่ค่ะค่แค่ดูคอนเทนต์ในแผ่นซีดีนี่ก็มีครบทุกเล่มเลยชอบมีคอมนี่เปิดเข้าไปอ่านได้เราใส่ไฟล์ไว้ละไฟล์เอชพีเลแต่เล่นึงเลสี่สิบเนื้อให้ฟังนะวันนี้มาเร็วก็เลยเสร็จกันเกือามโม ยะถาวาริวาฮาปุราริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตสินางเตตานังอุปการติอิติตังปิติตังปุณังทิปเมวะสุนเชตุตักเตุเนตุังตปาจันโทปัญระโุยะถามณิโธติอระตุยะถาสักยุติโยวิสโต ัสสาโรโควิ่ัมสเโรมาเตภพวะตัณฑาย่สุขีคีายิโคธาวะมะเหวธรรมสีอิจฉะนิจังาิพจานใจนสมตาโรธัรมาลทาเตปายวันโลสุขังภาลา